จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วณนะบัดนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่หนึ่งสิงหาคม2556้าอห้าสิบหกแรมสิบค่ำเดือนแปดปีมะเสง็งน่าเราจะได้เริ่มรายการกัน ในการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเช่นเคยอาตมาบรรยายเปคนเดียวก่อนและก็ค่อยว่ากันตอบประเด็นของผู้ที่จะมาร่วมด้วยน้าผู้อยู่ทั้งบ้านก็ส่งประเด็นเข้ามาร่วมด้วยได้โดยส่งมาทางโทรศัพท์สองหมายเลขน้ามีสองเครื่องช่องหมายเลขนั้นก็บอก ตามธรรมเนียมซ้สำซากผู้ที่ฟังใหม่ก็ได้ฟังผู้ที่ฟังเก่าก็ฟังจำฟังเตือนความจำไปเรื่อยๆหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขนั้นคือ0885859117หกน <c oughs> ึ่งหนึ่งเจกับ0885859118หหนึ่งหนึ่ง สองหมายเลขอีกันเด็กๆจาได้ไหมใครจําได้มั่งเด็กๆศูย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดสองหมายเลข อ, อที่นี้ก็มาว่ากันด้วยธรรมะนะ บ้านเมืองก็กำลังคลึกคลื้นตอนนี้อาจจะมาใช้คําว่าคลึกคลื่นนะบ้านเมืองก็ตอนนี้เขาก็เป็นธรรมดาสามัญของสังคมโลกน ะ, ะมันก็คลึกคลื่นอย่างนี้แหละยุคที่มันคลึกคื่นยุคมันอ่าสงบสันติเบิกบานราเริงอบอุ่นก็มีแต่ตอนนี้มันหายากนะ อ่ายากยุคนี้นี่มันหายากมันจะหาได้ในชุมชนชาวโศกนี่นะอ่าชุมชนชาวโศกเนี่ยมันจะแสนสุขสบายแสนสุขสั่มบายอ่าอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปแล้วกัมันเหมือนกับคุยโม้มันเหมือนกับโออวดแต่ว่าจริงจมันน่าอวดนะ มันน่าอวดนะมันเป็นสังคมที่น่าอวดอยู่กันอย่างครอบครัวใหญ่อยู่กันเยอะอย่างครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกั น, นมีสมบัติส่วนกลางร่วมกันเป็นครอบครัวจริงๆพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้อยู่กันอย่างนั้นจริงๆเลย คนในหมู่กลุ่มชาวโลงนี่เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันทางานทุกคนทำงานให้ส่วนกลางกันทั้งหมดซึ่งต้องกับทุกคนนี่เสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์จะหาสังคมไหนที่ทำได้เนาะอยู่กันเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วก็เอาเข้าของกลางหมดเลยไม่ได้หักส่วนอะไรใดของเราเลย ก็มีแต่ชีวิตเราอยู่ไปกินกินใช้ๆชไปกับสังคมกับหมู่กลุ่มหมู่อยากมิตรสหายครอบครัวพี่ น, น้องโอ้มันพิเศษจริงๆเลยนะอาตมาเนี่อาตมาก็ยังนึกอยู่แต่ว่าพูดออกไปก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไรเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่เหมือนตลกเหมือนเป็นเรื่อง เดี๋ยวเขาจะหาว่าอาตมานี่ไปพูดเหมือนกับอย่างคูณแปดเจ็ดศูนห้ากลายเป็นแมกจิเชียนเป็นคนพูดเรื่องที่ แ, แสนเก่งเหมือนนักเล่นกลเหมือนนักแสดงกลแสดงความมหัศจรรย์เน е รมิตอโนโนนนี้อะไรต่างๆนานาคากบมันลึกลับมันไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเท่าไหร่ที่คนทั้งหลายจะจะเห็นเป็นของไม่ลึกลับ จะเห็นเป็นของรู้แจ้งเห็นจริงจริงก็แต่พวกเราเห็นพวกเราอยู่พวกเราสัมผัสอยู่มันมันชัดเจนมันมีจริงนะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้ในยุคนี้นะยุคที่ต่างคนต่างก็ตัวใครตัวมัน่นะคนในสังคมกิเลสหนาจัดจ้านในยุคนี้ ยุคที่เขาโตนี่กำลังห้ำหั่นกันอย่างขนาดหนักแต่สังคมสาธารณโพคีนี่ก็เกิดขึ้นมายืนยันธรรมมาของพระพุทธเจ้าได้ว่ายุคไหนก็สามารถจะปฏิบัติบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าได้จริงได้จริงถ้าสมาธิิไม่จำกัดการเวลาเลยอ่า อาตมาก็ทามาเอาพระธรรมธรรมะของพระเจ้ามาประกาศเอามาอธิบายเอามาขยายความตั้งแต่อาตมาตัวคนเดียวเข้าใจอยู่คนเดียวพออธิบายไปก็มีคนฟังเข้าใจตามตามตามก็โอ้ตามทึกขั้นกล้าออกมาเนี่ยกล้าทิ้งลาบยศสั้นเริญโลกีสุบออกมาทิ้งออกมาทิ้งออกมาทิ้งออกมา จนกระทั่งมารวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มชุมชนจนกระทั่งเกิดเป็นพฤติกรรมสังคมเป็นระบบนะเป็นระบบบุญนิยมจนถึงขนาดที่มันยืนยันได้มันเป็นสาธารณภพคีที่ทุกวันนี้เนี่ยกล่าวอ้างยืนยันได้เต็มที่ซึ่งมันก็เป็นได้จาก ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาไม่คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้ได้นะมันเกิดขึ้นเองอาตมาว่ามันเกิดขึ้นเองโดยธรรมริษแ ท, แ, ทแต่เพราะว่ามันสัมมาทิฐินั่นเองอาตมามั่นใจตรงนี้เพราะมันสัมมาทิฐิมันจึงเกิดได้เป็นได้แต่ก็เกิดแล้วเป็นแล้วอ มันเกิดแล้วเป็นแล้วมันมีสภาพอาจจะมาพูดไปบางทีบางอย่างก็พูดออกไปคนก็ท้วงมันขัดแย้งกันที่ก็พูดกันจนกระทั่งมาพบหลักฐานต่างๆจากพระพุทธพจน์บ้างจากหลักฐานที่ผู้รู้อื่นๆบ้างที่มีมาพบก็นำมาตรวจสอบแล้วก็เห็นเห็นได้ เออมันเป็นจริงตามพระพุทธพจน์ตามผู้รู้ผู้รู้ที่สมาธิธจริงๆ น, นะมีมันทึกมีอะไรยอยู่ <c oughs> โอ้เห็นจริงเลย <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของความสุขนะเรื่องความสุขความสุขซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งซับซ้อนเพราะ มีทั้งเรียกว่าสุขของชาวโลกียชนโลกีปุตุชนความสุขนีนคําว่าสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนที่เรียกว่าสุขเนี่ยของชาวโลกีปุตุชนที่เขามัน่นตกมั่นใจว่าน่นเป็นของแท้ของจริงของเขาบ้างเงี้ยนะครับสุขอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่เที่ยง มันอนนี้จังความสุขนั้นไม่เที่ยงมันมาแล้วมันก็ไปมันก็ผ่านไปเดียวเดียวนะมันมาแล้วมันก็ไปผ่านไปเดียวเดียวแล้วมันยิ่งกับพยับแดดยิ่งกับฟองคลื่นแล้วมาปับมันก็จา ก, จากไปนะความสุขชนิดนั้ น, นอ่ะอาจรมาขอเจาะรายละเอียดของความสุขชนิดที่พูดถึงนี่กับความสุขที่ชนิดเที่ยง เออมันมีความสุขชนิดเที่ยงด้วยนะเออเออลองตั้งใจฟังดูนะความสุขชนิดไม่เที่ยงนี่คือความสุขเสพอารมณ์มันสัมผัสมีอารมณ์นี่สุขสุขเพราะต้องมีสัมผัสสัมผัสแล้วก็ตรงตามสเปคซิฟิเคชันตรงตามสเปคคือที่ตัวเองตั้งไว้เลยว่าสเปคอย่างงี้ต้องอย่างนี้เป็นอย่างงี้มีอย่างงี้ แม่ไม่ตรงเป๊ะเอาเก้าสิบเอร์เซนก็เอาวะสุขแปดสิบเอร์เซนตก็เอาวะเจ็ดสิบเอร์เซนก็เอาวะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะมีอารมณ์นั้นสุขถ้ามันไม่ค่อยตรงนักมันเหลือน้อยกับแม่ทําไมมันไม่ค่อยจะเต็มที่เลยวันรินมันโอ้โหมันแค่ห้าสิบแค่หกสิบดีไม่ดีมันต่ํากว่าหกสิบก็อะไรวะทําไมมันไม่ยังงี้เลย มันไม่ตรงก็มันไม่เคยเป็นมันไม่ได้อย่างที่เคยเป็นเคยมีตามสมมุติยึดไว้เลยพอได้ก็ได้ตอนสัมผัสนั่นแหละตามที่มันเรามีอุปทานแล้วมันก็ตรงตามอุปทานเราตรงได้เท่าไหร่เราก็ไม่ถือว่าท่านั้นหรือตรงแล้วก็แถมตรงแล้วแถมจัดจ้านขึ้นแล้วก็หลงว่าโอ้โหใช่ใช่มันอย่างนี้แหละมันจัดจ้านขึ้น โอ้โหมันแดงจัดขึ้นมันเหลืองจัดขึ้นหรือว่ามันเขียวจัดขึ้นอ่ามันเสียงมันโอ้โหเสียงอย่างงี้สิเยี่ยมขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งหลงติดหลงยึดหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกห น, กกนักเข้าไปอีกเลยและสู่อย่างนั้นน่ะเมื่อสัมผัสแล้วก็ได้เสพตามอารมณ์ที่สัมผัสนะั้นเพราะผ่านสัมผัสไปอันนั้นมันก็หายไปแล้ะมันลดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว จางไปแล้วมันไม่เที่ยงแล้วจะได้ก็ไม่มีล้วไปสูกใหม่ทีนี้ยก็ไปอารมณ์ใหม่พักยกพอได้นั้นหน่อยนึงจะพักยกหน่อยพักยกอยู่้เฉยๆเป็นอุเบกขาะเป็นการอยู่เฉยๆโดยที่เรียกว่าไม่สูงไม่ทุกมันพักยกมันมันเสพถูกมาต่อหน่อยนึง่งหรือไม่ก็เปลี่ยนอิริยบทเปลี่ยนท่าเปลยนไปไ ป, ไปสูกในไปไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นไป เปลี่ยนไปมากมายเรียบทของคนเนี่ยแต่เราเราก็ไปเกาะอยู่ตรงที่เราจะสุขละสุขจากอันนี้เสพทั้งตาอมาทางหูทั้งจมูกหรือว่าทางอยู่กับลีลาอเครื่อนกายย้ายจุดไปยังงนอย่างนี้อย่างา ง, างี้งนไปก็หลงว่าสุขพร p r a สุขอันนี้แหละสุขไม่เที่ยงมันจะต้องเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็ปรุงแต่งให้สมอุปทาน ปรุงแต่งกันให้สมอุปทานเขาจึงจะสุขสุขน้อยสุขมากก็เป็นไปตามที่ตัวเองจะได้สมใจที่ตัวเองสมมุตไวเอาไวยึดไวนี่คือสุขที่ไม่เที่ยงสุขของโลกีเป็นอย่างนี้ทีนี้สุขที่เที่ยงเป็นยังไงสุขที่ไม่มีสุขไงสุขที่ไม่ต้องสุขต้องทุกข์เลยกลางๆเฉยๆว่างมันไม่ต้องมี สุขที่ไม่มีโอ้สุขวิตต้องที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีสุขมีทุกข์อะไรเนี่ยสุขที่ไม่ต้องมีแม่มันพูดยากเนาะคือจิตของเราหมดละหมดอุปทานหมดยึดว่าจะต้องได้อย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีละไม่มีสเปกละไม่มีละกลางออกจากจิตเป็นไปอุปทานไม่ต้องสุขไม่ต้องอย่างนี้เงี้ย อยู่ไม่ต้องมีเนี่ยสุขแล้วแม้มันมีมาเราก็ไม่ปรุงมีมาเราก็ไม่รับมาปรุงไม่ปรุงอสังขารไม่ปรุงมีมาก็ไม่ปรุงจิตของเรานี่แข็งแรง แข็งแรงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รับเข้ามาปรุงมันมีก็มีแต่เรามีอำนาจมีวสีมีอำนาจในตน อ, อยู่กับมันได้มันจะกระทบ ก, กระแทกกระทุ้งกระเทือนอะจะแดกจะดันประชดประชันกระแทกแรงกระแทกเบาขนาดไหนกระชั้นโยโยวนมองเมาลีลานั้นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดยังไงก็แล้วแต่ผู้ที่มั่นคงแข็งแรงหมดแล้ว ก็ไม่ปรุงอยู่เหนือจึงเรียกว่าโลกุตรจิตก็จิตที่อยู่เหนือโลคียะพวกนี้ได้อย่างแท้จริงเมื่อได้อย่างแท้จริงอย่างนี้ก็อยู่กับสภาพนั่นแหละสภาพว่างๆสภาพที่ไม่ต้องปรุงสภาพเป็นกลางสภาพที่แน่นอนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอวิปริณ า, ามัธธรรมังเที่ยงแท้แล้วนิจจังยั่งยืนทุวัง เป็นอย่างนั้นตลอดไปมันก็อยู่คงที่อยู่ยงั้นน่ะตลอดไปอวิปริรามาทาให้แปลเปลี่ยนอะไรก็มาหักล้างไม่ได้ได้แล้วได้เลยไม่กลับกําเริ่อปัสสังกุ ป, ปังมันก็เลยเป็นของเที่ยงก็เลยเป็นสุขเที่ยงสุขที่ไม่มีสุขเรียกว่าสุขสงบอ่าเพราะเหตุ คือกิเลสนั้นตายสนิทไม่ร่วมปรุงอีกแล้วยังลืมตาตื่นึนยังมีสติสัพพัญญาปัญญายัางรู้แจ้งเห็นจริงมีจักขุมมีปัญญามีญาณมีแสงสว่างไม่ได้มืดไม่ได้มั ว, ไ ม, ไ, มวไม่ได้งมงายไม่ได้งมคลําอะไรเลยรู้ว่าอะไรมีก็มีอยู่เราไม่มีก็รู้ว่าเราไม่มีอยู่นี่คือสุขเทียม น, นี่คือสุขเทียมสุขที่ไม่มีสุขไม่ต้องสุขเพราะงั้นคนที่ไม่รู้ไม่รู้สุขที่ว่านี้ได้ไง่ายๆโดยเฉพาะแม้สุขที่ตนเองหลงกิดยึดไป็นโลกีนันนะมันเป็นสุขเท็จมันเป็นสุขเท็จ ก็ก็ก็จะไม่เข้าใจว่ามันเท็จยังไงก็มันสุขทุกทีเสพสุขทุกทีแล้วมันก็หายไปทุกทีนะคนไม่รู้ก็คืออวิชชาสุขไม่รู้สุขเนี่ยได้ไง่ายว่าเป็นภาระนะคนไม่รู้สุขอัตมา ก, กำลังเขียนหนังสือรู้คนขังสุข รู้ทุกขังสัตว์นี่วันนี้อาตมาก็เอามาลองลองลองลองเป็น อ, อีกสามโพลเล็กน้อยนี่เอาจากหน้านยี่สิบห้าคนหน้ายี่สาคนในหน้ายิ่สี่เอาหน้ายิบห้าคนไม่รู้สุขคืออวิชชาเนี่ยได้ไง่าย การมาสุกนี่ยังเขียนหัวมันใ่ต้องตั้งที่ต้องเอาสุกมาไว้ข้างหลังไม่รู้คนไม่รู้สุขได้ไง่ายๆว่าเป็นภาระเป็นภาระแสนทุกข์คนจะไม่รู้สุขได้ไง่ายๆเพราะอาวิชชาไม่รู้ว่ามันเป็นภาระแสนทุกข์ซึ่งมันจะแสนจะเป็นทุกข์มันแสนจะเป็นทุกข์มันไม่ใช่ แสนสุขเลยนะมันแสนจะเป็นทุกข์ทุกข์ที่ฝังไว้ในใจว่ามันน่าได้น่ามีน่าเป็นไม่ปล่อยวางอ่าจําใส่ใจไว้ทั้งๆ ท, ที่มันมาเดียวๆมันก็ผ่านไปนี่แหละก็ยังฝังไว้ในจิตเนี่ยเราว่าจะต้องได้ะต้องมีต้องเป็นอย่างงี้จําไว้ตอนนี้พักยกไปก่อนไปเอาใหม่เอาอื่นไปก่อนอ่าหาสุขรอกอื่นๆบายตามเรื่องตามราวอ่ะ ลงว่ามันน่าได้น่ามีหน้าเป็นไม่ปล่อยวางจึงเป็นภาระที่จะต้องเป็นทาตมันต้องสมสารซอกซอกแสวงหามาให้มันเกิดสุขไม่รู้แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดผู้ไม่รู้ตัวได้สักทีว่าสุขโลกีเนี่ยมันเป็นเทจภาษาบาลีท่านว่าอลิกะเทศเนี่ยอลิกะ สุกนี่เป็นเปรตเมื่อไม่รู้ก็จะแสวงหาสุขนี่มาให้ตนบําเรอตนเสพอารมณ์ที่ว่าเป็นสุขนี้นะไม่หยุดเด็ดขาดลงได้จะมีชีวิตยอยู่อย่างนั้นพยายามวิ่งไล่เอาสุขนี่มาเสพมาบาเรอตนไปอย่างนั้นไม่ปลดปล่อยสุขนี้ออกไปจากความหลงติดลงยึด ขังสุกนี่แหละคือขังสุก ข, ขังสุกนี้ไว้ในก้นบึ้งของจิตในอนุสัยสิ่งที่ขังไว้ในก้นบึ้งของจิตอยู่คืออนุสัยไม่ยอมปล่อยคนหลงไหลมันโมหะหลงไหลมันคนไม่รู้ความจริงนี้อวิชชา จึงขังมันไว้ห่วงแหนมันไม่ให้มันพรากจากห้วงอนุสัยพวกเราฟังเข้าใจไหม<จ>เห็นไหมมีไห ม, มいい <c oughs> โอ้โหยอมรับโดยดุสดีเลยเนาะพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ย นั่นมันมีเลยมันรู้เลยมันขังไว้คขังสุขที่หลอกหลอกนี่เราก็นึกว่ามันเจิงๆวันสุขทุกทีกินอร่อยก็อร่อยทุกทีเห็นสวยก็ชอบใจทุกทีฟังอันนี้เพร้อพร้อไปเแล้วมันก็มันหูมันมันใจทุกทีแล้วมันเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปแล้วก็ไปอันใหม่ตายไม่ได้เที่ยงเลยไม่ได้อยู่ก็เราไปนานเลยบางอย่างผ่านไปอีกตั้งนานกว่าจะวนกลับมา ไอ้สุกแบบนี้อีกใหม่สักทีมันไม่มีเราสุกเกา่ามันไม่มีเรามีแต่สุกใหม่มันผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปยิ่งกับสายลมพัดอ่าไอ้ที่มันมาบอกว่าสุกนี้อีกก็คุณจํามันไว้ว่าสมมุติมันไว้อุปทานไว้ตรงได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะไอ้มาหนี้แบบนี้บางทีแบบมันไม่เคยตรงกันเท่าไหร่ว้าไม่เคยเหมือนเขาที่แล้วเว้บ้ามึงว่าเฮ้บางทีบอกเฮ้ยอันนี้มันดีกว่าเขาที่แล้วเว้ย ยิง่งประทับตราเข้าไปในใจอีกบ้าเลือดเข้าไปอีกอลไรนั้นน่ะหนักเข้าไปอีกอ่พาพอเราฟังดีๆจะเห็นจะเข้าใจว่าโอ้สิ่งนี้มันจริงจังเลยแล้วเราจะไปคิดถึงว่าเออแต่ก่อนนี้เราเป็นอย่างนี้เราเยอะเลยแต่ก่อนนี้เรามีจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็ละก็ลดลงไปบ้างเออเราก็ลืมมันนอะไยๆอย่างเราไม่ตรงมีหรือแม้มันมีแล้วเดี๋ยวนี้มันมาผ่านมามันจะมาเป็นให้มันมันเดิม เอ้ยไม่เหมือนเดิมเลยแฮมันก็จุดจุดชืดชืดมันก็เฉยไปมันก็เออมันไม่มีอาการนั้นนี่พิสูนได้พิสูจน์ได้เลยเนี่ยพวกเราเนี่ยพิสูจน์ได้เพราะเราจะเห็นได้ว่าสุขที่สงบนี่แหละคือสุขสงบมันมันไม่ต้องปรุงแต่งมันไม่เหมือนแต่ก่อนโลคีจะต้องผ่านมาผ่านไปเลยต้องเอารถปรุงแต่งอย่างนี้มันปรุงกันแต่งมันสังขารกันอย่างนี้นี่มันไม่สังขารมันก็เฉย นั่นก็สุขสบายดีสงวนสบายก็ไม่ไดเดือดร้อนอะไรเมือนเดริษยาคนอื่นที่ก็สุขเขาอยังปรุงแต่งเขายังติดอยู่สงสารคนหรือไงนะเออก็เหมือนเราแต่ก่อนละวะเดี๋ยวนี้ก็ดีไม่ดีบางคนก็ไปไ ป, ไปขมก็นะโถธ่ยังติดอยู่เลยอชั้นสิอหลุดออกมาแล้วนี่แหละมันมีอัตตา ม, มาณนะมันถือดีถือตัว มันก็จะเป็นแบบนี้นะอาการแบบนี้ใครมีมากก็มีมากใครมีน้อยก็มีน้อยนะใครเคยมีบ้างน้อยก็าตามนะมันก็มองมอ ง, มองคนอื่นเหยียดเยียนิดหน่อยโอย่ยังมีอยู่เราเองไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมานะศึกษาดีๆมันเป็นเชิงซ้อนมันเป็นเชิงจริงที่มันเป็นของทางโลกโลกก็จริงนะ นี่คือสัจจะที่มันเป็นจริงได้นะที่ศึกษาดีๆแล้วมันไม่ง่ายแต่มันเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นชาวโสดเราเนี่ยละลดพวกนี้ได้พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะเห็นได้อย่างที่มันปรุงแต่งกันจัดจ้านเลยนะโอ้ชดิดติดฉึงสวยงามรู้ราฟุ่มเฟือแบรนด์เนมอะไรต่งตางๆนานาที่กล้ากันข้างนอก คลีดไปโอ้โหมันแสบแก้วหูด้วยมันมามันรกหูรกตากันไปด้วยซ้ำแต่เราก็เอา้าเราเข้าใจเขาก็อนุโลมเพว่าเราก็ยอมแล้วก็ห่างๆมาถ้ามจัดปรรจารนะักก็ห่างมาไม่ต้องไปดูไปแล่มันนักก็เาขาเขาเป็นก็ต้องเห็นใจเขาเข้าใจเขาเขายังล้มติดอยู่ยังงงงายอยู่บอกเขาไม่ได้สอนเขาไม่ได้ถ้าพอบอกเขาได้สอนเขาได้ก็เอาช่วยกันไป สอนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เต็มเดี๋ยวนี้ยิ่งมอมเมากันจัดจ้านมากเลยเดี๋ยวเนี้มอมเมาก็จัดจ้านแรงสูงนะเดี๋ยวนี้มอมเ ม, อมากันจัดขึ้นเรื่อยจัดขึ้นเรื่อยจัดขึ้นเรื่อยโอ้จนกระทั่ง จะฆ่าจะแกงกันอยู่ในสนามแข่งกันแข่งเปแข่งสนุกแข่งเอาชนะฆาตารกันแข่งเก่งแข่งอะไรอะไรซับซอ้อนอัตาราการกามนี่มันซับซอ้อนซับซอ้อนเป็นชั้นชั้นชันชันหลายชั้นจนกระทั่งแยกออกมาอธิบายยากยากนะพวกเราสามารถลดได้รู้ตัวสุขโลกีว่ามันเป็นเท็จไม่ต้องแสวงหามาบํา เ, เรอตนลดปล่อยออกไปได้ ไม่ต้องติดต้องยึดอิดก็ดีแต่ผู้ที่เขายังไม่รู้นี่เขาจังอยู่ขังไว้เลยว่าขังสุขที่จริงขังผีหลอกสุขนี่มันเทจมันเป็นผีหลอกมันหลอกเป็นเทพประมุตตมาน่นะเหมือนเทวดาสุขนี่คือเทวดาแต่มันของเก ม, มันไม่มีหรอกเทวดาเทวดานี่เป็นของเทวดาเกเลยว่าสมมติเทพ ส่เทวดาจริงนันคือเทวดาไม่หลงสู่พวกนี้แหละเป็นเทวดาเกิดใหม่อุบัติเทพเทวดาที่ลดกิเลนี้ได้ลดได้เป็นวิสุทธิเทพก็ลดได้หมดเสี่ยงจากจิตเลยใครยิงได้ถาววเลยก็เป็นเทพเป็นพระพรหมถาววเป็นวิสุทธิเทพถาววเลยแต่ถ้าใครยังลดละไม่ได้ก็ก็ผูกมันไว้ขังมันไว้ ออกมันไว้ติดมันไว้อยู่ในอุปทานอยู่ในกลนบึงของจิตเลยว่าอนุสัยไม่ยออปล่อยคนหลงไหลมันก็คนไม่รู้ความจริงนี้ก็ขังมันไว้ห่วงแหนมันไว้ไม่ให้มันพลากจากห่วงอนุใส่โอ้เมื่อไหรจะรู้ความจริงนี้กันได้สักทีเนอะอนมีแต่คนพยายามสร้างคุกนะ มีแต่คนพยายามสร้างคุกชนิดนี้นะให้แข็งแรงยิ่งขึ้นสร้างให้มากขึ้นมากขึ้นใส่ใจตนเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันมีแต่อย่างนี้แต่ก่อนนี้อาตมาไม่รู้ก็ยังไม่ส่งเสริมเขาโอ้ oh, ไปเล่นดิเกละครอยู่ในจอโทรทัศน์เป็นอะไรต่อะไรต่างๆนานามอมเมาเขาสร้างทําแต่ก่อนนี้ไม่รู้อย่างนั้นจริงๆ แล้วคนที่ไม่รู้ทุกวันนี้ก็เสริมสร้างกันอยงนั้นนะสร้างให้มากสร้างให้แรงให้แข็งให้จัดให้จ้าดจริงขึ้นใส่ตนเองขึ้นเพื่อจะขังสัตว์ที่หลงมันว่ามันเป็นเทพประบุเทพปฏิดานั่นแหละคือสัตว์สัตสัตว์เทศสัตว์เทศปบุตรตมานสัตว์หลอกสังสังขังมันไว้แต่แท้แท้มันคือมาร คือผอีที่เรียกโดยสัพท์เรียกโดยศัพท์ว่าศัพท์ทางธรรมว่าเทพพระบุตรมานนั่นเองแท้ๆมันคือผีมารจริงๆจริงๆตัวแท้มันคือผีมารตัวจริงเทพพระบุตรมานในแปลว่าผีหลอกหรือว่าไม่ใช่เทพตัวจริง เทพประบุตมานแปลว่าผีรองหรือแปลไม่ใช่เทพตัวจริงมันไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระนะสรีระไม่มันไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอัตตาอะไรพวกนี้ยไม่มีหรอกจึงรู้จักตัวมันยากมากมันไม่มีนะแต่มันมีมันไม่มีรูปร่างตัวตนรูปแม่ที่อาตมาบอกว่าบาปนี่มันไม่ได้ขี่ช้างสูบยาเบั่งเกิ่งบิ่งเกิ่งมาเลยนะ มันไม่ได้เป็นตัวเบลอเบลออะไรเงี้มันไม่ใช่นะไอบาปเนี่ยมันไม่ใช่มันมีตัวตนรูปร่างหรอกเหมือนกันสุขทุกข์ก็เหมือนกันมันไม่ได้มีตัวตนรูปร่างอะไรหรอกไม่ไมีสรีระหรอกนะมันจะรู้ได้ด้วยการเป็นนามมารูปเนะี่ยจะรู้ได้ด้ยนามมารูปเป็นนามมารูปนามมารูปคือนามมารำมันเป็นนามมารม ท, ที่ถูกรู้ ด้วยความรู้อันมีการสัมผัสของจริงจะรู้ด้การสัมผัสของจริงนั่นคือต้องมีการสัมผัสหรือว่ามีการสัมพันธ์รู้ภาวะที่เป็นนามนั้นอยู่ต้องๆเลยก็จะรู้ว่าโอ้โหอันนี้แหละเป็นนามธรรมานะไม่มีสีแสงเส้นเสียงไม่มีรูปร่างตัวตนสรีระอะไรแต่เป็นอาการเป็นอารมณ์เนี่ยจะสัมผัสรู้สัมผัสได้เลย ในขณะที่มันเกิดจริงกับมีตรงๆพอมันไม่เกิดมันก็หายไปแล้วหมดสัมผัสมันก็หายไปนอกจากความจําเป็นของแห้งๆเป็นเทวดาแห้งๆเทวดาไม่ใช่เทวดาเป็นของแห้งๆจําไว้นึกถึงมันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่มันหายไปแล้วสัมผัสนี้มันก็มีต่สัมผัสจริงพอหายสัมผัสหมดไปแล้วนะเพราะงั้นเทวดาหรือผีมารยังว่าเนี่ย มันแบบที่สัมผัสได้เห็นที่มันเกิดเมื่อมีอาการสัมผัสแล้วมันก็เกิดปรุงแต่งกันเป็นเทวดาเป็นผีเนี่ยในขณะที่มันมีจริงเพราะวาความเป็นเทวดาเป็นผีเนี่ยไม่ใช่มันเกิดเพราะใครเป็นเนรมิตขึ้นมาต้องพักนมานิดหนึง่ง <c oughs> อัตมนึกถึงเจ้าคุณปัญญา แต่คุณปัญญาต้องไปผ่าตัดทั้งก็พูดม า, างี้บรรยายมาทั้งๆที่ท่านบรรยายนี่แรงมันอาตมานะท่านปรุงแต่งไม่แรงแต่านไปเรื่อยๆ <c oughs> อาตมาดัดเสียงดัดสมเนียงของท่านไม่เคยเป็นมีคนดัดเสียงดัดสมเนียงของท่านปัญญาเหมือนจะมีลอกเรียนการบรรยาย <c oughs> การพูดของท่านปัญญาท่านปัญญาท่านไม่ได้เหมือนอาตมาอาตมานี่มันปรุง มาประดิษฐ์ประดอยนัตจากีตาวาทิต ะ, ตะแปงใช้กล้ามเนื้อใช้เซลใช้เสียงใช้เส้นเสียงแรงใช้เส้นเสียงมากแต่ตมาเนี่ยขนาดนี้อายุแปดสิบอย่างเข้ามาแล้วมันก็ยังเป็นแค่นี้แต่ท่านปัญญาท่านจะผ่าตัดตอนไหนไม่รู้อายุเท่าไรไม่รู้น่าจะยังไม่ถึงแปดสิหรือแปดสิบเนี่ย ท่านผ่าตัดเส้นเสียงอาตมาไม่รู้จะต้องผ่าตัดหรือเปล่าเขาผ่าตัดเส้นเสียงได้เหมือนกันแต่อาตมาก็ไม่รู้ไ ม, ไม่ไม่ได้ตรวจนะเส้นเสียงไม่ได้ตรวจแต่ท่านก็รู้ว่ามันเกิดแต่ว่ามันมันต้องมันต้องไม่รู้สิทางแพทย์หูคอจมูกตาอะไรนี่เขาก็เรียนกันมาเขาก็ทําได้ซึ <c oughs> ่งวาระนั่นก็คงจะต้องเป็นไป แต่ไม่ถึงว่าระ ก, ก็พยายามรักษาให้มันให้มันปรับเซลล์ในตัวของมันเองด้วยบ้างก็คงจะยากหน่อยเพราะว่าตมาต้องพูดก็พยายามแต่ว่ามันก็แม่มีคนจะให้พูดเบาๆมันติดละตอนนี้มันติดนิดสัยมันเป็นวาสนาไปแล้วตอนเนี้ยวาสนามันเป็นจริตมันก็เลยต้องพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยอ่อต่อน้าต่อบรรยายเมื่อกี้ว่า คื อ, เ, อเรื่องผีเรื่องเทวดาอะไรพวกนี้มันไม่มีสรีระนะไม่มีตัวตนสรีระรู้จักมันยากรู้ได้ด้วยศัพท์ทางเทคนิคศัพท์ทางธรรมของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องรู้ได้โดยนามมารูปใช้คำว่านามมารูปนามมารูปนี่คือสภาพนามมารมนามมารูปคื อ, คอสิ่งที่เป็นนามนั่นแหละถูกรู้ถูรู้ดยานคนเนี่ยญาตปัญญา ยานรู้ไอ้ตรงที่ถูกรู้นะเราเรียกวันนามมารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แต่มันเป็นนามธรรมาเพราะนามธรรมา ท, ที่ถูกรู้ในความรู้อันมีการสัมผัสของจริงพอสัมผัสของจริงก็ถูกรู้นั่นคือต้องมีการสัมผัสหรือมีการสัมพันธ์รู้ภาวะที่เป็นนามนั้นอยู่ตรงตเลยต้องมีอยู่ตรงตรงไม่ใช่รู้แบบ ไม่มีเหตุมีปัจจัยไม่มีสัมผัส ม, มีสัมพันธ์อะไรอยู่ดีๆก็เกิดเนรมิตปุ๊บคุณมาเป็นตัวผีเป็นตัวเทวดาปุ๊บคุณมาเกิดมาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีตัวอะไรขึ้่มาไม่มีที่มาที่ไปไ ม, ไม่มีอิทัพปัจยายตาเพราะสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีอยู่ ล, ยลอยๆปพ๊บเห็นเหมือนอย่างที่คุณแปดเ็ดศูนย์ห้าเล่าบ่อย ไอ้เรื่องอย่างนี้อาตมาก็เคยเป็นเคยนีมันไม่ได้สงสัยอะไรหรอกรู้อยู่ซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วเรียนมาแล้วแต่คุณแปดเจ็ศูนห้าเนี่ยยังงมคงอันนี้อยู่ยังไม่เลื่อนฐานะที่จะมารู้สิ่งที่ลึกซึ้งกว่า น, นี้ไอ้เราก็ไม่รู้จะว่าไงก็ไม่เชื่อว่าเราพูดนี่เราพูดเขาความจริงนะแต่เจ็ดศูนห้าก็ไม่ยอมเชื่อนึกว่าเราพูดเล่นพูดโกหกไปโกหกทําไมนมะ ไอเรื่องแค่นั้นไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งที่อย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยลึกซึ้งกว่าเยอะนะเพราะงั้นเมื่อไม่วางโน้นศึกษานี่ไม่ได้ถ้ายัางยึดอันนั้นอยู่ไม่ปรยอมปล่อยวางเพื่อที่จะมาเข้าใจมาทําความเข้าใจตั้งใจมาศึกษานี่ให้รู้จริงเห็นจริงขึ้นไปอีกบ้างมันก็ไม่ได้รู้แน่เพราะมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะมันเป็นนามธรรมาถึงแม้ว่ามันจะมีแค่นามธรรมานะ ทำมาในแปลว่าสิ่งที่ทรงอยู่การทรงอยู่ของนามนั้นมันจะเป็นแค่นามมาทำหรือแค่นามมากายนามมาทำนามมากายนามารูปอะไรพวกนี้นี่มีคำหลายคำนามมาทำคือสิ่งนั้นทรงอยู่นามมากายคือนั่นแหละนามมาทำมันนั่นแหละมันมีนามมาทำอื่นๆอีกด้วยประชุมกันอยู่รวมเข้าไปอีกเยอะจากข้างนอกด้วยข้างในด้วยรวมกัน นะเป็นองค์รวมของนา ม, มาทำํำกายนอกกายสัมผัสแล้วเข้ามาเป็นนามากายจากนามากายเชื่อมโยงเข้ามาเป็นองค์ประชุมจากเหตุปัจจัยที่เป็นมหาพุทธรูปก็ยังมีรูปนะอยู่ในจิตเราจะมีรูปได้เสร็จแล้วก็ไปเป็นเวทนามีความรู้สึกผสมกับรูปนั้นเสียงนั้นกลิ่นนั้นเรียกว่าเวทนามีความรู้สึกผสม แล้วก็รู้ว่าอาการผสมมันความรู้สึกนี้มันก็ผสมอยู่กับรูปกับนามนั่นแหละเพราะเหตุรูปรูปนามนานั่นแหละเพราะเหตุรูปเสียงกลิ่นรสพวกนั้นเน่ยมันก็เกิดเราก็จะอ่านเวทนาออกอีกแล้วมันเกิดมานั่นลึกเข้าไปอีกว่าเมื่อเกิดเพราะอะไรมันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เกิดเป็นสังขารสุขสังขารทุกข์เป็นเวทนานั่นเองเป็นสังขารเป็นสุขสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นผีเป็นเทวดานั่นนะ มันอะไรเป็นเหตุมันก็มีร่วมผสมเรียกว่าประชุมหรือว่าปรุงแต่งกันอยู่ในนั้นนามารูปเราก็จะต้องรู้ถ้ามันถูกรู้ได้เรียกว่านามมารูปถ้ามันรวมกันอยู่เรียกว่านามากายถ้ามันทรงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่พักยังมาอยู่เห็นอยู่มันตรงๆยังไม่หมดไปจากจิตก็เรียกว่ามันเป็นธรรมะเรียกว่านามมธรรมนะ มันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมแต่มันเกิดจริงเป็นจริงมีจริงในตัวคนนะมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมแต่มันเกิดจริงเป็นจริงมีจริงในตัวคนที่สัมผัสรู้ได้ด้วยวิปัสนาญาณสัมผัสรู้ได้ด้วยวิปัสนาญาณนะอาจารยนีรู้อย่างวิปัสนานี่มันเป็นเชน่นไงคืออย่างไร นิพัสนาเนี่ยพวกเรียนธรรมะในเรียนธรรมาจังมีปัสนามีนิพพัสนาเข้าใจกันเป็นคนละแฟสัญญาเป็นคนละอย่างจึงเป็นได้องค์ประชุมหรือกายคนละอย่างนิพัสนาอย่างคุณแปดเจ็ศูนห้าเนี่ยไปเขียนนิพพัสนายานก็ไปเห็นรูปร่างของผีรูปร่างของสัตว์นรกหรือรูปร่างของเทวดาหรือรูปร่างของอะไรก็แล้วแต่เ เห็นเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นกายแล้วเข้าใจว่ากายเนี่ยคือรูปร่างด้วยอีกซ้ำนี่ของคุณแ7ดเสุน้าทั้งทั้กายเนี่ยมันรวมทั้งนามมาทำที่เป็นเป็นรูปร่างที่เกี่ยวกับรูปมันก็ใช่ด้วยแต่ถ้ารูปร่างที่มันไม่เกี่ยวกับรูปมันมีแต่ น, นามอยู่ข้างในอ้าวมาพูดถึง วิปัสนาอลองดูนคนดีเข้าใจวิปัสนาเป็นอย่างไรจะเหมือนที่อัตมาอธิบายไหมการรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาญาณเนี่ยการรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นี่ก็คือความรู้ที่เกิดจากกิริยาของปัสติวิปัสนาญาณเนี่ยคือความรู้ที่ เกิดจากกิริยาของปัจสติปัจสตินี่แปลว่าเห็นหรือมองเห็นปัจสติเนี่ยภาษาบาลีคํานี้แต่ว่าเห็นหรือมองเห็นทีนี้กิริยาของการเห็นกิริยาของการมองเห็นเนี่ยเป็นยังไงอ่ะนึกออกไหมกิริยาอ า, อาการของมัน น, น, นะนะวิปัสสนาญาณในความรู้ที่เกิดจากกิริยา กิริยาของที่เห็นหรือมองเห็นเนี่ยนั่นคือต้องเห็นต้องมองเห็นนะนี่ําชับคาชารก่อนว่าคำว่าปัสปัปสนาปัสสตินี่มาจากร่างสาวปัจสะนั่นแหละเป็นคํากิริยาก็ปัจสติแล้วเห็นหรือมองเห็นน่ะนั่นคือต้องเห็นหรือมองเห็นจึงจะเรียกว่าปัจสนาคือต้องมีเหตุกับปัจจัยสัมผัสกันหรือสัมพันธ์กันอยู่ ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะมันถึงจะเกิดการเห็นนี่ขึ้นมาได้เช่นมีตาสัมผัสรูปอยู่หลักๆเนี่ยมีหูสัมผัสเสียงอยู่ต้องๆเลยแม้ทวานอื่นก็ต้องมีสัมผัสอยู่ทนโทษทั้งนั้นน่ะเป็นปัจจัยาการหมายกับว่ามีเหตุและมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยสัมผัสกันแล้วก็เกิดผลต่อๆกันไปเรื่อยๆรือว่าปัจจยาการเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ นีเรกว่าปัจจยาการหรือว่าอิทธปัพจยาตาอิทธปัพจยาตาก็คือว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนั้นมีแล้วก็จึงมีสิ่งนี้ต่อกันไปเรื่อยๆ เ, เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เหมือนกันเรียกว่าอิทธัจจยาตาคล้ายกันแต่ภาษามันละเอียดก้นมาอีกหน่อยเท่านั้นเองปัจปจัยาการก็หมายถึงอาการรู้อะไร่มเลย พอมาบอกอิทธปัญตาก็ชี้ลงไปว่ามันมีอันนี้อิทธะอันนี้มันมีอันนี้จึงมีอันนี้จึงมีอันนี้จึงมีอันนี้นี่ปฏิกริยาโซ่ลูกโซ่เหมือนกันอันนึงเป็นอาการต่อกันไปเรื่อยๆเป็นปัญญาการอีกอันนึงบอกเออมันมีอันนี้แหละมันจะไม่มีอันนี้ก็จะไม่มีอันนี้เท่านั้นเองที่มันต่างกันอิถ้าดูทั้งสภาพมือทํารูปร่างอธิบายด้วยใช้สุ่งเสียงทํานียงด้วยจะเข้าใจดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอ่า ทัพปัญยตากับปัญยาการก็ญญาต่างกันในเนย้อสําคัญนิดหน่อยแค่นี้เองนะเพราะฉะการรู้ที่จะมีเหตุมีปัจจัยสัมผัสกันแล้วถึงเกิดสิ่งนั้นให้รู้ไม่ใช่ว่ามีอย่างหนึ่งอย่างเดียวโผล่ขึ้นมารู้เพ้อไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีที่มาที่ไปซึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้ลึกลับไม่มีเหตุมีที่มาที่ไปเหมือนพวก แม็กกี้เชียนที่เล่นกลแสดงให้ดูป๊อป๊อ่ามีนกใครเคยดูมั้งนักเล่นกลวัอไม่รู้มายัาง ไ, ไงไปยังไงมือเลยอ่ามีอะไรต่างๆนาน า, นาอ่าเอากระบอกมาเอากระดาษมาม้วนมวน้มนม น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นม้นม้วนไปอป๊เทองมามีน้ำใครเคยดูมั้ง นี่นักเล่นกลใช่ไหมไม่มีที่มาที่ไปเลยลึกรอบคนก็ดูโอ้โหเก่งเว้ยเก่งว้ยโอ้โหเก่งมหสัจจันทร์ผมแม็กซิเชียนพวกอนักเล่นกลหรือนักเนรมิตจะเก่งเนรมิตได้จริงหรือไม่จริงเราตามหาเหตุปัจจไม่ได้นักเนรมิตนักเต่นของมหาสัจจันทร์พวกนี้กนักสร้างนักเนรมิตอันนั้นมันมันไม่ใช่มีปัสนานญาณเห็น แต่คุณแปดเจ็ดสูนาเนี่ยชอบเอามาเล่าเยอะเลยขายให้อัตมาเห็นอัตมาจะบอกว่าขายขี้หน้าแล้วนะขายขายให้อัตมาเห็นพอรู้ทันก็เลยบอกเอออย่าเพิ่งไปว่าเขาก็เลยไม่ว่าหรอกนี่จะว่าคุณแปดเจ็ดสูน่าเอาเอาแสดงออกมาให้อัตมาเห็นเล่ามายืนยันมาขายขี้หน้าอัตมาจะไม่ว่าขายขี้หน้าเลยน่าแสดงออกมาหลายทีหลายเรื่องเลยนั่นะเป็นเรื่องอย่าง แมจิคอลต่างๆเรื่องลึกลับเรื่องมหัศจรรย์เรื่องแปลกๆเรื่องมันโผล่ขึ้นมามันไม่เป็นอิทธิปยายตาไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นเรื่องที่มีสิ่งเหตุมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็กระทบสัปปะกันแล้วก็จึิเกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมามันไม่ไม่ใช่ของอย่างที่พระเจ้าสอนไม่ตรงตามพระอนุสาสนีเลยนะเพราะฉัอ้อาตมาก็สงสารที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอริยะแต่มันก็ไปไหนก็ไม่รู้นะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่สิ่งที่มันลึกลับเกิดเองเป็นเอง พ, พุกพับมาเองเป็นอะไรที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่มันมีเหตุมีปัจจัยและหรือและหรือมิใช่รู้จากการขบคิดแค่ผลแห่งการขบการคิดจากเหตุจากผลนะไม่ใช่ผลของการขบคิดที่เกิดจาก เหตุเกิดจากการคบการคิดหรือว่าจากเหตุจากผลจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุน่นเป็นเถิง ต, ตักกะนะเรียกว่ารู้ด้วยตักกะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ตักกะไม่ใช่เรื่องตักกะที่ว่ารู้แจ้งวิปัสสนึกอันนั้นมีปัจสนึกมีปัจสกิดมีปัจสนึกวิปัสสกิดอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาก็ไม่ใช่ด้วย ไอ้ลึกลับพวกเพราะว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็ไม่ใช่คบคิดจนกระทั้งหือรู้แจ้งแทงทะลุเลยโดยเหตุได้ผลคุณแปดเ็ศูนห้ามีทั้งสองอย่างอีกเครื่องอย่างปึ๊บมันมีเลยมีทั้งโอ้โหเหตุผลต่างๆนันาโอ้โหูยกเหตุยกผลที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นแท่งเป็นก้อนออกมานอกโลกโลกันในโลกเอามาอธิบายประกอบเป็นเรื่องเป็ราวเยอะซึ่งเป็นปตักกลับทั้งนั้น ยังไม่เข้าร้องเขาง้ารอยว่าเห็นของจริงตามความเป็นจริงนะของพระอาจเจ้าต้องรู้ที่ไปที่มามีเหตุมีปัจจัยสืบเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่อย่างมีสันตตนินั่นคือมีความสืบตอ่อมีความต่อเนื่องสันตติี่แปลว่าความสืบต่อหรือความสืบเนื่องมิใช่ไม่มีสันตติของพระอาจารย์มีที่ไปที่มา ไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้ลึกลับแต่รู้แจ้งเห็นจริงครบเหตุปัจจัยรู้กิริยาอาการของจิตใจในขณะที่มีสิ่งสัมผัสกันอยู่หลัดหลัดสัมผัสกันอยู่หลัดหลัดและมีความสืบต่อกันอยู่นั่นแหละการสืบเนื่องยังไม่ขาดอ่า ทันทีที่มันสืบเนื่องกันอยู่นั่นมันก็เห็นทันทีนั้นก็เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั้นทีเดียวเห็นอยู่เป็นปัจจุบันมีอาการแม้เป็นนามธรรมเมตตาก็สัมผัสรู้ประธรรมอยู่ยังไม่ขาดกันนามก็เห็นต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยไม่ขาดกันเลยเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวภาษาบาลีวิชานณโตปัสสโตวิหรตินะ ภาษาบริชาณาโตนี่คือรู้ปัจจโตคือเห็นวิธรติแปลว่าสำเร็จอีริยาบทอยู่เป็นอยู่มันยังดำเนินภาวะอยู่ยังไม่ขาดการเป็นอยู่บีอิงเป็นอยู่อย่างนั้นวิปัสสนาที่เกิดญาณวิปัสสนาที่เกิดญาณต้องรู้ต้องเห็นอย่างนี้ เรียกว่าวิปัสนาแล้วมีความรู้ญาณความความรู้ที่เรียกว่าวิปัสนาต้องเห็นต้องรู้อย่างมีเห็นมีปัจจัยอย่างนี้และสัมผัสอยู่หัดหลัอย่างนี้ด้วยเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่วิปัสนาญาณญาณไม่เห็นญาณเอาความจำญาณเออะไรนึกคิดมาของแห้งๆไม่ใช่ของสดของจริงเพราะนนั้นเห็นจิตใจตนเองในบัตรนั้นเลยว่า เป็นผีหรือเป็นเทวดาก็เห็นตอนที่สัมผัสอยู่นั่นนะ่ะไม่มีรูปร่างสีสันตัวตนใดใดแต่เห็นอาการของมันมีเครื่องหมายให้รู้ได้เรียกว่านิมิตนิมิตเห็นอาการของมันแล้วเราเรานี่ยละ่ะกหนดหมายเครื่องหมายนั้นรู้ว่าอาการอย่างเงี้ยผีอาการอย่างเงี้าายเทวดาจิตใจเช่นนี้เช่นนี้เป็นผีจิตใจเช่นนี้เช่นนี้แล้เป็นเทวดา เราจะกําหนดหมายเครื่องหมายนิมิตนั้นโดยตัวของเราเราจะจดประมวลหมายได้เองรู้เองว่าโ อ, อย่างเงี้ยมันเป็นอาการอย่างเงี้ยเครื่องมันแบบเนี้ยผีที่มันรอ้รอนบนมันอยากเราเราเราเรางเงี้ยผีดิมินดีมันดุด้วยนะมันดูมันไปรังควานคนนั้นไปเบียดเบียนคนนี้เป็นยันคนนั้นไปทำร้ายคนนี้เอาน่นอ่ะ เราจะกำหนดรู้ใจตัวนี้เลยว่าเป็นเหตุอย่างเงี้ยเป็นผีอย่างเงี้ยเพราะคําว่าผีเนี่ยมันไม่ได้มีรูปร่างตัวตนแต่มันจิตวิญญาณมันเป็นผีถ้ามาเรียนรู้ปรมาจา์ตามที่อาตมาอธิบายนี่นะคุณก็จะอ่านจิตเป็นด้วยการอ่านถูกต้องรู้นามารูปอย่างอาการลิงคนิมิตอุทเทศรู้แล้วก็ไปเรียนของตนเองฝึกปฏิบัติ ไปสัมผัสมาก็มาอ่านไปอ่านบางคนก็จะเข้าใจจะเกิดญาณญาณญาณของตนเองเป็นปัจจจตังวนทิฏฐิโพวิญยูหิเรื่อยเรื่อยเยเก่งขึ้นชำนาญขึ้นมันเป็นนามธรรมนี่แหละก็รู้ลักษณะของอ้อลักษณะของผีมันเป็นอกุศลจิตมันอย่างงี้กุศลจิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่ไม่มีมันมันเป็นอย่างนี้มีมันอยู่มันเป็นอย่างงี้มีอย่างยาวมีอย่างกลางมีอย่างละเอียดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณจะอ่านจะเห็นชัดเจนเลยอ่า มันมีทั้งความรู้สึกทเทวเวทเรียกวเวทนาทั้งการกําหนดรู้มันมีทั้งเวทนาหรือสัญญามีทั้งความรู้สึกที่มันกําลังรู้สึกอย่างนั้นมีทั้งจิตวิญญาณที่ตัวกําหนดรู้อยู่ถ้าไม่มีคุณไม่มีตัวสัญญากําหนดรู้คุณไม่รู้นะแม้มันจะเป็นปัญญาขึ้นไปมันรู้อย่างดีอย่างถูกต้องแล้วมันก็ต้องใช้สัญญากําหนดสัมผัสของจริงอยู่นังนนั้ น, น, นมันกําหนดสัมผัส คุณจะมีความรู้แล้วเป็นปัญญาแล้วอันนี้ผีผีอย่างนี้เราผีอย่างนี้ผีคุณก็สัมผัสไปแต่สัญญาก็ยังเกิดอยู่ไม่ได้จับเห็นของจริงตอนนั้นสดๆเลยมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีความมุ่งหมายความมีจุดมุ่งหมายมีเจตนาเจตนานี้แหละมันจะลึกซึ้งมโนสัญเจตนาหรือเจตนาเนี่ยมันจะลึกซึ้งไปถึงว่า และไอ้มนโนเจตนาเนี่ยมันเป็นกุศลเจตนาหรืออ ก, กุศลเจตนาและอ ก, กุศลเจตนาเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นความอยากได้กามเสพยังได้เสพรูปเสพ อ, อารูปอะไรอยู่เราจะอ่านเจตนาของเราออกอ๋อเรายังอยากบมเรอตนึกกามอ่าหมดกามแล้วยังบมเรอเป็นรูปอ่าหมดรูปแล้วยังบมเรอเป็นอารูป คุณจะรู้ความจริงของตนเองเลยว่าตนเองเป็นขนาดไหนได้นขนาดไหนไม่ได้หลอกตนเองเลยนะและมีการสัมผัสอยู่มีผัสสะนี่คือนามห้าอย่างเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมีการทำในใจในใจอยู่เพราะผู้มีปัญญามีความรู้แล้วเนี่ยจะทำใจในใจเป็นไงจะมณสิการเป็นนะมณสิการเป็น ถ้ามณติการไม่เป็นเนี่ยแล้วจอยทำอะไรไม่ได้หรอกจบอยู่ตรงนั้นเพราะมณติกานี่เป็นตัวสาคัญมากเลยแต่เขาไปแปลโยนิโสมมณติกาเป็นพิจารณาพิจารณาอขอบคิดยังไม่ถึงขั้นมาเห็นของจริงตามความเป็นจริงพิจารณาสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงนั้นมันเป็นอย่างไรอีกมันโอ้โหเยอะกวกันลึกกว่ากันทั้งเยอะ ไปแปรโยดิสมนตะการได้แค่ความนึกคิดของคิดพิจารณานึกคิดให้ลึกซึ้งใ้ลึกซึ้งให้ลึกซึ้งแล้วก็รู้แจ้งสว่างตักกอยู่แค่นั้นน่ะนี่มันไม่ใช่ตักกะนะมันปฏิบัติมณสิการแล้วมันก็เห็นมณสิการจิตของเราเป็นยังไงเป็นยังไงไปแล้วจิตมันลดกิเลสไปแล้วจิตมันมีอาการอารมณ์เมื่อลดกิเลสแล้วมีอารมณ์ยังไงอารมณ์อุเบกขาเป็นยังไงหรืออารมณ์มันไปสมนัตในคําว่าสิตะสมนัตเวทนาเป็นยังไงยืดหรือว่ายังมีโทมนัต ในกข ม, มัสิตะโทมนัดแหมเอาออกได้มันยังโทมนัดเป็นวิส่งวิจารณ์อยู่ยังไงยังกังวลยังลำบากอยู่บ้างเป็นยังไงจนกระทั่งมันไม่มีแล้วมันเป็นในกข ม, มทัที่เป็นอุเบขาแล้วเป็นอุเบขาในกข ม, มัสิตาอุเบขาแล้วมันเป็นยังไงอาการเหล่านี้คุณต้องรู้ด้วยตนทั้งนั้นเลยของจริงของตอนเองเกิดเป็นมีมณสิ ก, การมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีผัสะมีมณสิการ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคือจิตใจแท้ๆจิตใจของคนเราจริงๆนี่เลยที่เป็นผีเป็นเทวดาจิตใจของเราเท ja. ่า น, า น, านั้นเลยนะเป็นภาวะจริงๆอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ฮัไทัไทยาูปเป็นภาวะจริงๆอยู่ที่ใจเลยมันตั้งอยู่ที่ฮัทไทยรลูปทีเดียวตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮัทไทยรูป หัตยรูปคืออะไรหัตทยรูปคือรูปหัตทยรูปคือรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปที่เป็นอุปาทายรูปหรือสิ่งที่ถูกรู้เป็นอุปาทายรูปหรือรูปที่ถูกรู้หัตไทยรูปนี่นะหุทัทยรูปนี่เป็นนามแล้วนะไม่ใช่รูปข้างนอกนะเป็นนามแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นรูปเป็นอุปาทายรูปเริ่มตั้งแต่กายในกายเข้าไป เริ่ม อ, อปุปาทายรูปยี่สิบสี่เริ่มตั้งแต่มีตาหูจมูกลินกายภาษาทรูปแล้วก็มีกระทบสัมผัสจึงเกิดโคจรรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัมผัสทางกายเป็นภาษาทรูปภาพเป็นโคจรรูปอีก5า และลักษณะพวกนี้แหละมันก็ปรุงแต่งกันมันจะปรุงแต่งกันเป็นอิทธิภาวะหรือเป็นปุริสภาวะอ่ามันจะปรุงแต่งกันยังเป็นแหวมันยังโอ้โหดิ่ดดิ่นอยู่เยอะเรียงว่าอิทธิภาวะอิทธินสิสีหรือลดลงมาได้ตามลําดับตามลําดับเป็นปุริศินสิสีปุริศะหรือเพศ ความต่างกันของเพศเนี่ยของอิทธิหรือของอาภาวะของอิทธิหรือภาวะของปุริสานี่นะมันมีตัวเปรียบเทียบเลยว่าเพศหรือลิงคะเปรียบเทียบมาเรื่อยๆอะไรมันยังดีดดิ้นด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นกิเลสตัณหาที่เป็นตัวเหตุอู่ คือความไม่รู้มันเป็นอิทธิภาวะเป็นภาวะรูปสองอย่างอิทธิภาวะกับปุริสภาวะหรือเรียกว่าอิทธิ อ, อิทินีรียกว่าเรียกว่าอิทธอิทธตักมันได้ลักษณะได้ขึ้นมาแล้วว่อาอ้าวดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือเป็นปุริสตักอัฐะประโยชน์หรือผลที่ได้หรือเป็นกําลัง จะเริญงขึ้นมาเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นมาตามลําดับตามลําดับตามลําดับนะเพราะเราจะรู้จักหัตถายรูปเราจะรู้จักสภาวะของเมื่อมันเกิดที่ใดมันตั้งอยู่ที่นั่นหัตทายรูปคือรูปที่เป็นอุปาทานรูปที่ถูกรู้ที่เป็นจิตใจหรือจิตปัญญาณขณะที่กําลังตายเกิดอยู่ในใจของเราหลัดๆนี่แหละ มันตายมันเกิดอยู่ตรงไหนหรือมันกําลังลดละจางคลายอยู่ตรงไหนเช่นอกุศสลจิตหรือกิเลสเนี่ยซึ่งคือผีอกุโสลเจนหรือกิเลสนี่คือผีผีแท้ๆนะของตนเองนะไม่ใช่ของคนอื่นหรอกผีแท้ๆเนี่ยเราทําให้มันลดละจะชมุติว่ามันตายหรือมันดับนะ จิตของเาอากุศลจิตผีแต่แต่มันตายมันดับมันหมดสภาวะแล้วหมดอินทรีย์หมดแรงอินทรีย์คือแรงคือพลังคือลีลาหมดหม ด, หมดละจิตส่วนที่หมดจากอันนี้มันก็อุบัติใหม่มันก็จุติใหม่มันก็เลื่อนจากจิตแต่ก่อนที่มันมีผีคุมอยู่มีเนื้อหาสาระของผีมีอาการของผีมีสมบัติของผีอยู่ในจิตเราเอาสมบัตินั้นออกไปมันก็เป็น จิตใหม่เลื่อนใหม่จุติจุติแปลว่าเคลื่อนไปเลื่อนไปจติลงกม่ได้จากเทวดาเลื่อนลงเป็นสัตว์นรกจากสัตว์นรกขึ้นไปเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นสัตว์เทวดาปลอมเป็นสุขสมุติเทพโผหมดพผลเสพแล้วตกเป็นสัตว์นรกอย่างเกา่าก็ได้มันจุติไปจุติมาอยู่นั่นแหละ เข้าใจอาการจุดติของจิตไหมจริงๆวันหนึ่งไม่รู้มันจุติมันรู้กี่จุดติและดันจุดติลงนโลกด้วยแล้วแสวงหาไอ้เทวดาแกนั่นแหละจุดติไม่เที่ยงเราหมุนวนอยังไงเสดษฐาเทวดาสมุติแต่เทวดาอุบัติเทพมันจะเที่ยงเพราะลดเหตุไปเรื่อยๆมันก็จุดติมันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเรื่อยจนกิเล่มันหมดมันดับจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกเลย มันก็เที่ยงมันก็เป็นเทวดาปิสุทเทพที่เที่ยงนะเพราะในขณะที่มันเกิดเกิดตรงไหนตรงนั้นคือหัตถยรูปหัตถยรูปเนี่ยมันจะเห็นจิตเกิดดับเลื่อนขึ้นแล้วก็ไปปฏิสนธิเป็นกุศลจิตจากอกุศลจิตที่มันตายลงมันก็จะปฏิสนธิเป็นกุศลจิตเป็นจิตใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นเทวดาแท้เรียกว่าอุปติเทพ หรือวิสุทธิเทพเป็นที่สุดเพราะนั้นการตายการเกิดของจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยความรู้เห็นการตายการเกิดของจิตใจเช่นนี้แหละที่อธิบายไปคร่าวๆเมื่อกี้นี่แหละคือการเกิดที่เรียกว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดทางจิตปัญญา ชนี้เองคือการเห็นการเกิดการดับของจิตใจฟังเข้าใจไหมถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็มีสภาวะนี่จริงคุณเห็นความเกิดความดับของจิตที่เขาบอกว่าปัศนาญาณนี่คือเห็นความเกิดดับของจิตแล้วเขาก็จะไปดูจิตมันเกิดมันดับมันกิดไปดงดวงดวงดงงวเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นดงวงดวงดวงงดว ท่านพุทธทาสที่บอกว่ามันจะคำนวณมังคามนะเว้ยเป็นดวงดวงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดม็ดเ็ันับไปกี่ดวงกี่ดวงกี่ดวงก็น่าเห็นใจแต่พุทธทาสมอนกันบอกว่ามันไปรู้กันได้ยังไงว่านะอาตมาก็ฟังเขาพูดมาเนี่ยอธิบายกันมานี่เกิดดับเป็นดวงดวงดวงดวงแล้วจิตมันเกิดดับก็ดดับมันเดาได้คนเรามันเกิดดับพอดีเกิดมันก็ต้องดับอาการนั้นอยู่ แต่คุณไปไปเป็นดวงไหนไม่ดวงไหนมันก็หายไปแล้วมันก็มีดวงไหนให้คุณดับแล้วให้คุณนับคุณนับดวงไหนแต่นี่การเกิดดับเห็นการเกิดดับนี่เห็นชัดๆเลยว่ากุอกุรจิตของคุณมีแล้วคุณล้างมันดับดับไปชั่วคราวมันก็คือดับเกิดอีกมันจะเกิดใหม่อยู่ก็ล้างมันจนกระทั่งมันเที่ยงมันไม่เกิดอีกอกุรจิตตายสนิทไม่เกิดอีกเลยคุณเห็นความเกิดดับที่แท้จริง นี่คือความเกิดดับที่แท้จริงพเพราะการอธิบายเรื่องเห็นความเกิดดั บ, นนบให้อ่านเลยทําไมต้องมาให้เรียอ่านยังไม่ถึงเวลาในนั่นอ่ะยังไม่เวลาตอบอ่ะอ่านเลยยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาอะ โอ้ยังไม่ได้หรอกม า, มารัดคิวได้ไงยังไม่ถึงเวลาต้องรอรอเวลาถึงเวลาก่อนที่แบบนี้อย่าหัดอย่าหัดคอร์รัปชันคอร์รัปชันคิวคือของเขาคอร์รัปชันเวลาก็ไม่ได้ไม่ได้นะอ้าวฟังต่อเพราะงั้นในขณะที่มันยังไม่ตายมันมีชีวิตเรียกว่าชีวิ ต, ตรูป เราเห็นแล้วอาการชีวิตคืออะไรที่มันยังเกิดอยู่มันยังไม่ตายเป็นชีเป็นชาติอยู่เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับเป็นชาติเดี๋ยวก็ดับไปกมดแต่มันยังไม่ตายจริงใช่ไหมมันยังมันยังเกิดอยู่ด้วยแสดงว่ามันยังมีชีวิตโยมันตายหลอกอยู่เรืยเลยชีวิตตุรูปมีอินทรีย์มันมีอินทรีย์โดยเฉพาะกิเลชีวิตกิเลชีวิตอคุศลจิต ก็โทษพักยกนึกว่าตายไปแล้วหรือคุณข่ามันนึกว่ามันตายหมดแล้วโอ้แท้ๆมันยังเหลืออยู่นาะมันยังมาแอบมาหลอกมาหลอนอยู่บ้างแม่ไม่เต็มกําลังยังเหลืออยู่คุณก็จะต้องรู้ของจริงน่ะนี่แหละว่าเรารู้ชีวิตตินสีของรูปชีวิตตินสีหรือว่าชีวิตแต่รูปน่ะ ตอมาคุณก็รู้อาหารนะรู้รู้ของที่อาศัยเครื่องอาศัยของชีวิตซึ่งเป็นอาหารอาหารมีสี่กวรินกราหารปฏสาหันโนเสนเจตนาหันแล้วก็วิญญาณอาหารเพราะฉะนั้นคุณจะอ่านอาหารเครื่องอาศัยนี้ออกตั้งแต่กาวรินกะาอาหารคืออาหารที่กินเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เกิดกิเลสต่างๆมี ตั้งแต่ผัสสอาหารเป็นเมตนาสามสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็คือผีหรือเทวดาแกหรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เกแกเป็นเคหสิตาอุเบขาเวทนานี่ยก็จะรู้มันถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่รู้วิธีที่จะเอามันออกรู้วิธีเนคขมะคุณจึงจะลดกิเลสได้จากอาหารเครื่องอาศัยเพราะคุณรู้นามรูปของจิตอิญญาณ จิตวิญญาณแยกแยะได้ว่า น, นี่เป็นจิตวิญญาณทีนี่จิตวิญญาณที่จะต้องทำลายหรือเป็นเทวดาปลอมลดลงได้ลดลงได้ก็เกิดจากผัรษาเวลาเรียนเกิดจากเวทนาเวลามันเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วก็ตามหาเหตุมันเจตนาของคุณเป็นวิภวตัณหาเจตนาจะดับภพบดับชาติพวกนี้คุณก็รู้เจตนาที่คุณเองคุณจะบำเลอเกิเลคุณคุณก็ต้องรู้ เป็อกุศลเจตนาของตนเองเป็นกุศลเจตนาคือต้องการลดละกิเลตคุณก็ต้องรู้เจตนาของตนเองเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารปัสตมานาสิการรู้อยู่ตลอดมโนสเจตนานี่ก็รู้เป็นเครื่องอาศัยได้คุณก็ดับที่มันเป็นเจตนาที่เป็นกามตัิหาไปตามลําดับแล้วก็รูปภระวัติฐาเป็นรูปประพบารูปประพบไปตามลําดับ นี่คืออาหารที่เป็นกาวริงกลาอาหารถ้าเรียนรู้นี้ได้ในะกาวริงกราอาหารหรือโพชนนมัตัญุตามันเนี่ยรับรองเลยดับกิเลสได้หมดภัษาอาหารอธิบายนำไปแล้วเมื่อกี้นี้นให้รู้เวทนาให้รู้อะไรแต่ไรเวทนามโนเสตนาอาหารก็อธิบายไปแล้วตาหนาสามิญญาณอาหารอธิบายไปแล้ว หรือวิญญาณอาหารให้รู้นามรูปน้ารูปนี่ขีดนี่ไปใช้ตัวตัวกดไอไฮเปอร์ตัวไหนเนี่ยมันไฮเฟอรตัวแดดตัวตัวนี้มันจะอยู่ข้างล่างมันมันไม่ใช่หรอกเนี่ยมันมันต้องไปขีดกลางกลางต้องใช้มันมีอยู่ตัวบางทีสลักไปสระมากไอตัวฟอนเนี่ยฟอนแบบนี้ใช้ขีดนี่มาอยู่ข้างล่างแต่ใช้ขีดนี้ไปอยู่ข้างบนอะไรพวกนี้น ก็ค่อยรู้ใช้ต้องซื้ออัตมารู้ทันมันอยู่เพราะเดี๋ยวนี้นี่ท่านเขียนกันท่านต้องถ้าถ้าก็คงรู้อาจจะผิดไปอาจารย์จะต้องมีรูปอะไรอีกต่างๆปริเชษทารูปก็ดีนะบินยัด ร, รูปก็ดีพิการรูปอีกก็ดีลักขณะรูปก็ดีจะ ก, ก็ค่อยอธิบายประกอบไปเรื่อยๆเราจะรู้รูปรุ่นนามแล้วก็รู้ไอความละเอียดของกิเลสดับกิเลสได้ไปเรื่อยๆ นะอาตมาก็อธิบายมาถึงตอนนี้รู้การเกิดการตายของจิตรู้การเกิดการดับของจิตทําให้ อ, ก, อกุศลจิตตายลงแล้วก็เห็นกุศลจิตเกิดใหม่เห็นอย่างชัดชตรงตรงเมื่อสัมผัสด้วยเหตุกับปัจจัยและรูปและนามจึงสามารถรู้ได้ของตนในตนอธิบายมาถึงแค่นี้เอาไว้ก่อนวันแบบนี้นะ่าเลยเวลาเขาไปหลายนาทีแล้วนะพูดคนเดียว วันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาละอ้าวเอาบรรยายคนเดียวไว้แค่นี้อ่าทีนี้ตอบประเด็นอ้าวจะ ต, ตอบประเด็นก็บอกตามธรรมเนียมสำหรับผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาส่งมาได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 8 8 5 8 5ปด1ปห้าปดห้าก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับ0 8 5 8 5 8 5ปด1ปดห้าปดห้าเ้าหนึ่งหนึ่งปดอ่าอีกทีหนึง่งศ8 8ย์5ปด1ปดห้าปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับ0 8 8ย์ปปด ห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะอ้าวอ้าวทีนี้ก็ถึงเวลาจะตอบประเด็นละาจากเจ้าแรกจากกรุงเทพหนึ่งชุมชนแบบสาธารณโพคี ที่ท่านยกตัวอย่างในรายการนี้ผมอยากรู้จังครับว่าในอินเดียมีบ้างไหมครับแบบว่าร่องรอยของพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคพุทธกาลนั่นนะครับเอาถามดีเนาะถามข้ามชาติไปอินเดียนนูนชมชนแบบสาธารณโภคีที่ท่านยกตัวอย่างในรายการนี้ น่าคือชุมชนชาโวโศกรนี่แหละเป็นชุมชนที่สาธารณะโพคีคือมีทรัพย์เป็นส่วนกลางกินใช้ร่วมกันทำงานแล้วเเข้าส่วนกลางเสียภาษร้อยเปอเซนหมดนี่แหละเขาท่านผู้นี้บอกว่าอยากรู้จังว่าในอินเดียี่มีบ้างไหมไม่มีหรอกยิ่งทุกวันนี้ไม่มีสมัยพระพุทธเจ้ามี มีอยู่ไหนอยู่ในองค์สงสาตาราโบคีอยู่ในองค์ ส, ง, ส, ง, คสงเท่านั้นเอามาทํากับคารวาสไม่ได้ในยุคพุทธเจ้าน่ยเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคธาตุยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคทรัพย์สินเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่แคว้นไหนก็นแล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าแคว้นทรัพย์สินเป็นของท่านหมดคนก็เป็นทาตของท่านหมดเป็นสรัติของท่านท่า น, านจะทํำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้น แต่จะเอามาให้ไปเป็นส่วนกลางก็พระเจ้าแผนดินเอาไปหมดมเป็นของตนเองหมดแล้วยึดเป็นของตนหมดแล้วประชาชนจะเอามาปเป็นของส่วนกลางได้ไง่ายไม่ได้อยู่และไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะไปเปลี่ยนแปลง ย, ยุคนั้นยังไม่รู้จกักประชาธิปไตยยังไม่รู้จักการแบ่งแจกยังไม่รู้การรู้การทานการแบ่งแจกแต่ยังไม่ไม่มีรายละเอียดยังไม่เหมือนอย่างทุกวันนี้นะเพราะยุคนั้นสมัยนั้นเป็นยุค ที่ยากที่ทำความเข้าใจสมุรณาญาสิทธิราชยุทธ์ที่เป็นสังคมธาตเป็นยุคที่ยังไม่รู้จักสิทธิสิทธิต่างๆสิทธิวัตถุเข้าของของเราของเขา อ, อ, อะไรอย่างนี้เป็นต้นตามสุจริต ธ, ธรรมสิทธิในธรรมชาติดำกฎหมายสิทธิตามวัฒนธรรมสิทธิตามมนุษยชนที่ควรจะต้องพอต้องทําได้พูดได้แสดงได้ มันมีสิทธิต่างๆนานาอีกตั้งเยอะตั้งแยะเขายังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยเพราะฉะนั้นสาธารณโภรคียุคนั้นเกิดได้เฉพาะในหมู่สงฆ์หมู่ฆราวาสทาไม่ได้ในหมู่สงฆ์นี่มาอยู่ในธรรมนูญพระพุทธเจ้าไงตีกรอบเลยมาอยู่ในธรรมนูญพระพุทธเจ้าธรรมนูญพระพุทธเจ้าคือจุลศีลมชิมศีลมหาศีลนั่นแหละเป็นหลักใครมาปฏิบัติตามนี้ปั๊บแล้วก็ น่าไปอ่านดูในพระไตรปิฎกเล่มกัปชวัดศีลมชิมศีลมหาศีลเป็นธรรมนูญแล้วปฏิบัติตามนี้ใครมาปฏิบัติตามนี้แม้แต่พระเจ้าอาชาติจะตรูพระเจ้าอะไรต่างๆพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยไมห่หมดถ้าใครมาปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าแข่งแคนในยุคนั้นเนี่ยปลดความเป็นทาตปลดความเป็นวัณณะ ยกให้พระพุทธเจ้าคนมาอยู่กับพระพุทธเจ้านี่ตามหลักที่ของพระพุทธเจ้าตามศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วหมดความเป็นทาสหมดวันณะเสมอภาคกันหมดท่านทําปลดอิสระปลดแอกได้ทั้งแต่จุคนนั้นและเป็นรัฐอิสระท่านไปในๆๆๆๆในในใดไปแควนนั้นแควนี้ยอมให้ทัานหมดคนของแควนั้นแควนี้จะมาเข้ารีดจะมาเข้ากฎหมายจะมาเข้าธรรมนูญของพระพุทธเจ้าทุกแควนยอมให้ท่านหมด แม้ยิ่งใหญ่นะแต่ต้องมาเป็นพระเอาคารวะไม่ได้เป็นพระก็คือต้องสละทรัพย์สินออกไปให้ส่วนกลางหมดโทคาคันถาปหายะยาติปเรตังปะหายะญ า, า, า, าติก็ตัดตัดส่วนที่เป็นญาติไม่เกี่ยวไม่ข้องคืนโลกเข้าไปเอาตัวงท่านมาคนเดียวมาเป็น ลูกของพระเจ้าโดยตรงในคอนี้มีญาติก็คือลูกทุกๆคนของพระเจ้าเป็นญาติกันในสงเดียวกันก็แก่เจ็บตายพึ่งกันสงพึ่งกันเองพระภิกษุพึ่งกันเองอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเป็นเรื่องนซึ่งเป็นเรื่องที่จริงทําได้แต่ยุคโน้นแต่มายุคนี้มันโอ้โหมันไม่ใช่สมบุรณาญาสิทธิราชไม่ใช่ยุคทาตเข้าใจสิทธิมนุษยชนครบแล้ว อตาตมาเลยขยายผลถึงคารวาสได้แล้วมีอยู่ในเมืองไทยขอยืนยันว่ามีในเมืองไทยเท่านั้นในโลกขณะนี้ไม่มีที่เอื่นใครมีที่อื่นมีหลักฐานมายืนยันให้อตาตมารู้ด้วยอตาตมาอยากรู้นะอตาตมาไม่รู้อตาตมาว่าไม่มีแต่ถ้าใครยืนยันต้องมีได้กรุณานํามายืนยันกับอตาตมาน้อยอตาตมาอยากมีเพื่อน เขาต้องมีพระพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งสร้างขึ้นมาที่นั่นที่นี่บ้างเพราะพระโพธิสัตจึสร้างได้สร้างมนุษย์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีช่วยด้วยอาตมาจะได้รู้พระโพธิสัต์องค์ไหนเกิดมาอยู่มุมไหนของโลกแล้วก็ทําได้มีหลักฐานยืนยันมาเลยนะเพราะฉะนั้นร่องรอยของในาศาสนาพุทธที่ในอินเดียยิ่งไม่มีเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่ ทางเมืองไทยจะนำศาสนาพุทธกลับไปอยู่ที่อินเดียไปใส่อินเดียอีกก็ไม่ใช่พุทธเป็นพุทธแปลงเป็นพุทธปลอมเป็นพุทธที่ไม่ใช่โลกุตระแล้วขอยืนยันเพราะนั้นยิ่งจะไปเป็นสาสตราลาทธิโพคีแล้วโนเวสเตชัน no ไม่มีทั้งทางไม่มีทั้งสถานี โ <laughs> no นเตสเตชันนะอ้าวสองข้าคุณกรุงเทพนจากกรุงเทพถามมาหากหมดสมัยพ่อท่านที่เข้าใจพุทธธรรมอย่างชัดเจนเข้มข้นแล้วชุมชนแบบชาวโสนียังมีต่อไปอีกไหมครับอาตมาไม่ตอบอาตมาจะถามพวกเราให้ตอบเองคุณจะมีต่อไปไหมตาอาตมาตายลง เสียงไม่เคยดังเท่าไหรเลยอ่ะจะมีกันต่อไปไหมใช่โอ้โหดังแน่นขึ้นพูดหลอกอาตมาหรือพูดเล่นอ่ะอาตมาตายไปนี่อาตมาก็มั่นใจว่าอันนี้จะอยู่ต่อเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญญารู้รู้ว่าไอาย้ยางนี้นี่ดี และมันจะดีธรรมดานะมันยิ่งกว่าเพชรกวบาพลอยเพชรพลอยได้แล้มันเป็นของเราเรายังห่วงอย่างแหนโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าเพชรกว่าพลอยเป็นร้อยเท่าพันเท่าคุณไม่ห่วงไม่แหนได้ไงนีนจจนะ่เป็นสัจจะนะเป็นสัจจะจริงๆเพราะมันมีค่ามากเลยแล้วเราก็ได้อาศัยสิ่งนี้ถ้าอันนี้มันล้ละลายไปคุณก็ไม่ได้อาศัยใช่ไหม มันต้องมีเสนาสนะสปายะต้องมีบุคคลสปายะต้องมีอาหารสปายะต้องมีธรรมสปายะใช่ไหมจะสบายสปายะนี่จะสบา ย, า ย, บายคุณต้องมีอาณาบริเวณมีสถานที่รวมรวมกันอยู่เรื่องมีมีสถานที่ที่เป็นแหล่งอย่างนี้เรียกว่าเสนาสนะแหล่งของชาวโศกกลุ่มชุมชนชาวโศกทุกแห่งเสนาสนะอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็มีบุคคล มีคนที่มีคุณธรรมแบบนี้อันเดียวกันเนี่ยเป็นสารณนีทำหกเหมือนกันเนี่ยมีพุทธพจน์เจ็ดเหมือกันเนี่ยนะแต่ก็มีพลังสี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งของพระเจ้ารู้มีวรรณ์เก้าเหมือนกันเนี่ยคือคําของพระพุทธเจ้านั้มีทั้งนั้นน่ะมีเสราสนะมีบุคคลแล้วก็มีอาหารมีเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยเครื่อง อุปโภคบริโภคเครื่องอสายอยู่อย่างที่เราอยู่เป็นสาธารณภคีเนี่ยอ่ามีเครื่องอสายอยู่อย่างแท้จริงอย่างสปายะอย่างสบายต่อให้เครื่องอสายผัดอาหารทั้งผัสสะทั้งมโนสเจตนาทั้งอินญาณด้วยมันก็เป็นแนวเดียวกันมีธรรมะพุทธธรรมที่ชัดเจนสมาธิถิ่ตรงกันใครได้มากได้น้อยก็ ก็เข้าใจกันโซนดาบันสเสมอโดาบันสกิทาคามีสเสมอสกิทาคามีอนาคามีสเสมออนาคามีอรหรันเสมออรหรันอ่าครบคันมันก็อยู่ไปได้อัตมาไม่กลัวเลยนะว่าอัตมาตายลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเลิกลมไปอ่าจริงจมันมีคำพูดเล่นเล่นร้อ ล, ลอกันว่าโอ้ ไปติดอบายามุกสูบยาสูบมาตั้งสี่สิบปีแล้วจะให้เลิกลงทุนมันหนักแล้วใครจะเลิกเขาว่างั้นาจะไม่เลิกที่จะเลิกสูบยาเพราะเาลงทุนมันหนักขนาดเขาติดผีบ้าอย่างนั้นเขายัางจะลงเขายัางจะรักษาไว้ต่อเลยส่วนคุณมาได้สิ่งที่เป็นยอดเพชรยอดพลอยยิ่งเอาโทอบายามุกเราวางไว้ข้างตีนเขาเลยนี่คุณไปอยู่กลางเขา ยอดเขาคุณจะทิ้งอันนี้ได้เหรอแม้คุณจะลงทุนมาน้อยยิ่งคุณลงทุนมานานเท่ากับโอ้โหสูบยามาตั้งสี่สิบปีแล้วใครจะไปทิ้งมันไว้ยิ่งคุณอยู่ตั้งสี่สิบปีแล้วอยู่ทางนี้คุณจะทิ้งอ่ะคุณจะทิ้งอ่ะเห็นไหมเนี่ยอธิบายฟังทุกเดียบทุกมุมไม่ฟังนะ่า เพราะฉะนั้นอาตมาไม่ตก อ, อกตกใจไม่หวัน่นไม่เกรงเลยเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้อย่างยืนตลอดไปไม่มีอะไรแปรเปลี่ยนไม่มีอะไรมาหักล้างได้ได้แล้วได้เลยอาสังกุปปังมันจริงเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะมีหนึ่งสิ่งสเสถียรสองมีสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจนกว่ามันมีความเสื่อมเหมือนกันจนกว่าจะถึงยุค หนึ่งเต็มที่แล้วแล้วก็ถึงวาระเสื่อมจะหมดเพราะตอนนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของาศาสนาพระพุทธเจ้าเองสองพันก2000ว่าปีสองพันห้าร้อยนั่นมันเกิดมาแล้วมันเสื่อมมาจนกระทั่งถึงวันนี้อัตมาก็มากู้กลับเป็นแบบสามเหลี่ยมที่เขียนให้ดูมันก็จะไปอีกแต่คราวนี้มันก็มีสามเหลียมนั้นมาของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพื่ได้ขนาดนึงเขก็เสื่อมมาถึงวันนี้อัตมาก็มาต่อไปอีกทีงั้น ก็จะต่อไปอีกแล้วก็จะเสื่อมสลายไปสุดท้ายเหมือนกันแต่มันจะขึ้นไปอยู่น้อ้ามีตอบไม่ฟังจากนอนอ้วนโอ้โหเป็นนอนอ้วนริมมูลมาหนอนอ้วนริมมูลการปฏิบัติที่เมื่อเกิดผัสะผผสะแล้วใช้เหตุผลต่างๆเกิดผัสสะแล้วใช้เหตุผลต่างๆตามที่เคยกระทํามานั้น ถือได้ว่าณนะขณะนั้นคือขณะที่เรากำลังอยู่กับความคิดหนึ่งสองสามตัวตามแต่เราจะไม่มีภาษาทะรูปไม่มีโคจรรูปด้วยใช่ไหมในขณะคุณคิดนึกผัสะอยู่แต่คุณใช่เหตุผลผัสะอยู่แล้วก็ใช้เหตุผลต่างๆตามที่เคยทำมาเอาแต่เหตุผลมามาม า, มาบรรเทา เอาเหตุผลมาบันเทาไม่ได้พิจารณาของจริงว่ามันไม่เที่ยงมันพาทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆคุณไม่ได้พิจารณาเข้าไปหาไตรลักอย่างนั้นเลยอันนี้ทุกขั้งอนะตาอย่างนั้นแทๆ้ๆแต่คุณบอกว่ามันไม่เที่ยงเหตุผลนี้มันไม่เที่ยงเท่านั้นหรว่าแล้วคุณก็อย่าไปยึอดอย่าไปยึอดอย่าไปยึดสัพเพตมานาลังอภินิเวศายะหรือว่าสัพเพตมาอันั้ตา ทุกอย่างไม่ไม่ใช่ตัวตนแต่คุณก็ใช้กระถานนี้บรรเทามันได้บรรเทาได้บ้างชั่วคราวแต่ถ้าเห็นแจ้งด้วยไตรลักษณ์แล้วไตรลักษณ์นั้นมีอํานาจปัญญาไตรลักษณ์นั้นมีอํานาจปัญญาเพราะมันเข้าใจในอนิจจังเข้าใจในทุกขังเข้าใจชัดว่ามันเป็นอนัตตาจริงๆและลดละอางใดไปนจนไม่มีตัวตน ด้วยปัญญามันก็จะทาวอนนะถามว่าไม่มีภาษาทรูปไม่มีโคจรรูปด้วยใช่ไหมตนตอบไปแล้วคือตอนนั้นคุณใช้พิจารณาโดยการเอาเหตุผลมาเท่านั้นแต่ถ้าจัดเลยเหตุผลไปมันเห็นของจริงคุณลดละได้ในขณะที่ภาษาอยู่นั่นแหละอากระทบรูป มีภาษาทรูปมีตาหูจมูกทิศกายใจแล้วก็มีรูปมีโคลเจรรูปอยู่ขนะนั้นแหละพิจารณาไปตามมันด้วยกันเลยไม่ใช่พิจารณาแต่เหตุผลมาล้มล้างเฉยๆจากเด็กป .6 เลขที่หนึ่งโอ้โหเด็กป .6 เลขที่หนึ่งครับหลวงปู่อิทับปัจยตาอิทับปัจัยตา ปัจจัยนี่มีมหนกาด้วยปัจจัยก็ได้อิทัาปัจจัยตาก็ได้อ่าที่จริงเขาก็ไม่ต้องใส่ไมฮนาการไอจัยะหรือใจอิทัพปัจจัยตาแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งนี้อิที่แปลว่านี้นี่นี่นี่ะเป็นนั้นนี้นั้นนี่นั้นนี่เนี่ยเป็นปัจจัยกันอิทัพปัจจัยะเป็นที่เป็นปัจจัยกันจากอันนี้มันมีอันนี้แล้วมันจะไปมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็ไปมีอันนี้นี้เนี่เป็นเป็นปฏิกริยาลุโซไปเรื่อยๆ เรียกว่าอิทัพปัจเยตาจะคล้ายกันกับปัจจัยการอันนี้ก็เรียกว่าปฏิกิริยาลุโซคืออันนี้เป็นนี้อันนี้ขึ้นมาให้เป็นเหตุนี้มันจึงมามีเหตุนี้มันต้องมีเหตุมีผลมานะมันเป็นเหตุนี้มันจึงมาเป็นมันจึงมาเป็นอันนี้มันต้องมาเหตุนี้มันจึงมาเป็นอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลของมันนะแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นเป็นปฏิกิริยาลุโซนี่อิทัพปัจเยตาจะต่างกันกับปัจจัยการเมื่อกี้อธิบายไปแล้วทีหนึ่ง ต่างจาปัจจยาการคือปัจจัยาการหมายความว่าเป็นอาการของปัจจัยเหตุปัจจัยมันต่อกันไปเรียกว่าปัจจัยาการนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นปัจจัยกันและกันไปเพราะมันต่อเนื่องกันไปเป็นปฏิกิริยาโซ่ไม่บอกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้เลยนะอันนี้ก็อันนี้มันก็ต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยเหมือนแรงเคลื่อนต่อกันไปเลยอ่า ถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าปัจจัยาการาคลายกันหรือว่าเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันเป็นปฏิกริ ร, กริยาลูกโซ่เหมือนกันแต่มันมีนัยยะสำคัญ่างกันบ้างเล็กน้อยอต่อมาจากสมุนพระรามหลวงปู่ครับทำไมต้องสร้างน้ำตกด้วยครับผมไม่เข้าใจหลวงปู่ครับสร้างน้ำตกเพื่อให้มันสวยแค่นั้นหรือครับ อไม่ได้เขียนหรือนะนี่เขีว่าแค่นั้นหรอครับรอนี่แทนที่จะหรือจะจะใช้หอรอเรื่มออกอากกับเอาลอดีงซะอีกอ่าแค่นั้นรอครับคือมันเป็นสำเนองพูดของคนนนั้เด็กยังไม่ค่อยชัดอ่าแค่นั้นรอครับรอร อ, รอหรือน่เต็มๆผมอยากรู้ช่วยอธิบายให้ด้วยครับน้ําตกนี่นา มันจะมีทั้งรูปสวยอย่างที่ว่านั่นเป็นธรรมชาติดูดีมันมีทั้งการเคลื่อนที่ของน้ำการเคลื่อนที่ของน้ำอยู่ในที่ไหนนี่ยมันจะมีการแตกตัวของน้ำการแตกตัวของน้านั่นจะเกิดออกซิเจนเพราะนั้นจะเกิดออกซิเจนขึ้นมาให้แก่นิเวทวิทยาของเรา สถานที่ของเรามันจะเกิดออกซิเจนเพิ่มขึ้น น, น้ำจะใสอะไรต่างๆนานามันจะเกิดสปาพที่ดีขึ้นตั้งเยอะตั้งแยะมันจะเย็ น, นมันจะสดชื่นมันจะไม่แห้งอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยเป็นคุณประโยชน์ไอ้สวยเนี่ยเรื่องเล็กน้อย ถ้านทางสังคมศาสตร์ว่านี่เราเองเรารักษาธรรมชาติเรายังต้องการมีธรรมชาติก็ทำซ้ำธรรมชาติขึ้นมาอัตมาไม่พาพวกเราไปยึดที่น้ําตกที่มีทั่วไปเป็นน้าตกธรรมชาติอ่าพระกรรมฐานต่างๆท่านพากันไปยึดเกิดเรื่องกันเยอะเป็นยุดโดยไม่มีหลักฐานไม่มีสิทธิอะไรต่างๆนา น, นาแต่อัตมาไม่เคยพาพวกเราไปยึด บรรยากาศที่น่ารื่นรมพวกนี้นี่ป่าเขาลําเนาไพยน้ําตกนกร้องอะไรต่างๆที่ก็มีอาตมาไม่เคยพาพวกเราไปทําสร้างขึ้นด้วยมือถ้ามันมีของเราแล้วอย่างมีแม่น้ํามูลก็ดีแล้วเราก็ทำของเราเพิ่มเติมขึ้นมานี่เป็นน้ําตกนกร้องอะไรของเราไปอาตมาพาทํากันพึ่งตนเองไม่ไปุกบุกลูกตายเป็นเป็นระลาบระลวงอะไรใครของใครแต่เราก็เห็นดีด้วยแต่ว่าเราไม่เอาประเภทที่เขาพาทํากัน น่าทำไมมีแต่ป่าถ้ระยาจะเจได้ชุมชนชาวโซเราจะสร้างน้ําตกกันเกือบทุกที่น่สร้างป่าสร้างต้นไมา้รากไม้น่ให้มันเป็นบรรยากาศของธรรมชาติาจากสมุนพระรามอีวกวโรปูครับพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ครับผมไม่รู้เลยครับเออก็ไม่ใช่แ่คุเล่าคนเดียวหรอกที่ไม่รู้สมุนพระรามคนจะรู้เนี่ยลบูยังไม่รู้เรามีกี่องค์ พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเท่ามเมล็ดกรวดมเมล็ดทรายในมหานาทีในแม่น้ำกรวดทรายมีเท่าไรไปนับดูนั่นแหละพระพุทธเจ้าเกิดมากี่องค์เราไม่รู้เลยนับไม่ได้พระพุทธเจ้าสมณะโคดงของเราเนี่ยท่านเกิดมาพบพระพุทธเจ้าการที่จะเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยอัตมาเป็โพธิสัตว์เกิดมาชาตินี้ปางนี้มีพระพุทธเจ้าที่ไหนอะ นะยุคอื่นๆใดๆที่ยิ่งไม่มีบุญจะเกิดร่วมเลยผู้รู้ก็ยังไม่มีเลยถ้ามีผู้รู้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอีกตั้งกู๊คฮูนับชาติไม่ท้วนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดเราก็ได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าในปางนั้นชาตินั้นสักทีหนึ่งนี่ก็น้อยแล้วขนาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญมาแล้วท่านก็นับได้เท่าไหร่นะห้าแสน เออห้าแสนหนึ่งมืนสองพันยี่สิบเจดพระองค์ขนาดนั้นคิดดูซิมันจะใช้เวลาโอ้กี่ล้านล้านปีที่ต้องเกิดแต่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์นับไม่ท้วนนับไม่ได้เลยไม่มีใครนับได้หมดหรอกเขาถึงบอกว่าเท่ากับมิตรมรดมาเลเซายเกิดมาตังไหก็ไม่รู้เพราะเอกพบนี้มันเกิดมาถึงเม่ไหร่ไม่รู้ แล้วมีลูกโลกนี่ดับไปไมารู้กี่ดวงแล้วแตกไปโลกที่มีคนเกิดแล้วก็คนจนกระทั่งโลกจะแตกแล้วก็โลกใหม่ก็เกิดอยู่นั้นไม่รู้กี่เท่าไรใครจะไปรู้พระพุทธเจาที่บอกถ้าไม่รู้ที่ต้นถ้าไม่รู้ที่ต้นของไอ้สิ่งเหล่านี้เลยอ่าต่อมาทําไมหลวงปู่ถึงบวชโอ้โหจากบุคคลลึกลับมาเนี่ยคือ แมกจิเชียนบุคคลลึกลับถามว่าทำไมหลวงปู่ถึงบวชตอบหลวงปู่บวชก็เพราะว่าจะต้องมาทำงานธรรม ะ, อ, ะอย่างดีมาบวชนี่มาบริสุทธิ์สังขัดโดยส่วนเดียวทำงานที่คนก็รู้ว่าเรามาทำงานนี้โดยตรงแล้วก็ทำได้เต็มที่ก็เลยมาบวช นะอย่างมั่นใจอย่างแน่ใจว่าเราเองหรือตัวเราเองหรือปู่เองมีธรรมะที่จะเอามามาม า, มาเผยแพร่อย่างแท้จริงมาสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบวชน ะ, ะต่อมาคําถามคําตอบจากเด็กชายเพชรแสงธรรมนั่นห น, หนึ่งเทพพระบุติมารคืออะไรครับสองนิพพานคืออะไรครับสาม จิตที่รู้แจ้งเห็นจริงคืออะไรครับโอ้โห oh. เอาข้อหนึ่งเทพประบุตตามานคืออะไรครับคือผีหลอกเมื่อกี้ก็บอกแล้วคือเทพที่ไม่ไม่เป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นตัวจริงเทพประบุตตามานมานคือผีเทพประบุตรก็คือผีผีในมานมานในผีมันไม่ใช่มานในเทพมันไม่ใช่ของจริงอะเทพปลอม นัคือเทบพบุตรสองนิพพานคืออะไรครับแปดเจ็ดศนหน้าเขาว่าว่าอาตมาเนี่ยอธิบายนิพพานได้พระพุทธเจ้าจะบอกว่าท่านเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยใช่อธิบายได้แต่เปรียบเทียบไม่ได้แต่คุณแปดเจ็ดศูนห้าก็คิดตัวอาตมาว่าเก่งพระพุทธเจ้ายังบอกว่าท่านยังไม่ไม่สามารถจะเปรียบเทียบนิพพานว่าอันนั้นอันนี้ได้เลยก็ใช่นัทธิอุปมานิพพานเปรียบเทียบว่าอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีในโลก มันมีในโลกุตระของบุคคลผู้มีนิพพานของใครเขามันอะหามิตังนาชานามิอะหามิตังนาปะสามิติของใครก็ของใครไม่รู้โดยของใครของเราของเราใครจะไม่รู้ด้วยเราก็ระจะตังเวทิตะโพนอยู่หิตเพราะจะเอาไปเปรียบเทียบก็อะไรมันไม่มีอะไรจะให้เปรียบเทียบเพราะมันไม่มีอะไรนิพพานเปรียบไม่ได้แต่อธิบายสภาวะนิพพานได้เช่นวันนิจังทุกวังเสสนังนี่เป็นต้นมันเป็นคุณภาพอันนั้นนะไอ้ที่ไม่มีกิเลสแล้วนั่นนะ ฐานิพานคืออุมเบกขาเวทนาที่เป็นเนคขมะเริ่มต้นฐานิพานแล้วก็สั่งสมให้นิพานนี้เป็นเป็นาร้อยแปดจนเกิดกัตตาญานก็อธิบายได้บอกสภาวะบอกสภาพที่มันเป็นเหตุเหตุปัจจัยที่ให้เกิดนิพานได้แต่ตัวนิพานจริงๆน่ะมันไม่มีคําอธิบายเปรียบกอะไรก็ไม่ได้นัทธิอุปมาเนีมันเพี้ยงอย่างไร ت ت เทียบมันไม่มีอะไรเทียบเลยมันไม่มีอะไรเทียบสักอย่างในมหาจักาารวาลนี่ไปเทยยียบได้ไงมันเทยียบมันยั่งยืนไม่มีอะไรยั่งยืนเลยอทุวารสัสตตังไม่มีอะไรตลอดไปหมุนเวียนอยู่ตลอดแล้วก็มีอะไรแปเปลี่ยนตลอดวิปริณนธมาทำมังไม่ใช่อวิปริพนมมาทำมังแต่นิพานท่านถึงอาวิปริณนธมาทำมังทุกอย่างเปลี่ยนแปลงล้มล้างได้หมด อสังหิรังไม่ใช่อสังหิลั ง, งนี่เป็นต้นทุกอย่างก็มีได้เกิดตายเกิดตายเกิดตายทั้งกุปปังไม่ใช่อสังกุปปังอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้ามันก็เลยสุดท้ายนัดที่อุปมามันเปรียบอะไรก็ไม่ได้เทียบอะไรก็ได้ไม่มีอะไรที่จะเปรียบจะเทียบให้ได้เพราะมันมีสิ่งเดียวนะั้นในมหาจักรวาล น, นี้แล้วมีอยู่ในแต่ละบุคคลที่จิตวิญญาณของผู้นั้นตนนั้นเข้อใดข้องมันผู้มีจึงจะรู้เองรู้พูดแล้วก็ เข้าใจกันได้เป็นสัญญาณตรงกันของผู้มีผู้ไม่มียากที่จะตรงกั น, นาสามจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงคืออะไรครับคือญาณปัญญาของเราเนี่แหละหัดปฏิบัตินามมาทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งนามมาทำที่เป็นอกุศลจิตมันดับมันหมดคืออย่างไรจนเลิกเลยจนหมดนามมาทำทุกอย่างเป็นอรหันต์ก็เราก็จะรู้ว่า มียานตั้งแต่ต้นๆรู้ความจริงของนามธรรมายานนี่คือรู้ความจริงในนามธารรมรู้แจง้งเห็นจริงรูปธรรมเห็นด้วยกันหมดคนธรรมดาก็เห็นด้วยแต่นามธรรมา ท, ที่เป็นเจตเจตสิกเนี่ยยากต้องพยายามเห็นแจ้งเห็นจริ ง, รงของจิตให้ได้ต่อมาสมุนพระรามปหก6นูอยากทราบว่าจิตใจที่อ่อนแอ อ่อนแอแล้วเติมไมาเอกมันทําไมเป็น air. อ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอจะทําอย่างไรดีและมีความหมายว่าอย่างไรคะ ข, ข้าต้องไม่มีไมาเอกแล้วตัวแอไปเอามาเอกไปเติมเหมันเชนี่อ่าคะมันต้องมีไมาเอกก็ะใสมาอีกรวยไม่เอกเนาะคนนี้รวยไม่เอกจิตใจที่อ่อนแอจะทําอย่างไรดีต้องฝึก ฝึกฝนปไาต้องหัดอดทนหัดเรียนรู้ความจริงแล้วจิตเราก็จะกล้าแข็งขึ้นมามีความหมายว่าอย่างไรคระเอา้าก็จิตเราฝึกฝนขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าความแข็งแรงของจิตคือย อ, อ, อ, อ, คคอย่างไรควอ่อนแอของจิตคืออย่างไรแล้วทําไมพูดเองมาว่าตัวเองจิตจอ่อนแอละ่ะทําไมรู้อ่ะที่อย่างนี้รู้ได้ถามมา <g üler> แล้วถามว่ า, าจะรู้มันหมายความว่าอย่างไรรู้แล้วจะหมายความว่าอย่างไรรู้รว่าเราอ่อนแอก็ พยายามอ่านทำให้มันแข็งแรงแล้วมันต่างกันอย่างไรเราก็จะรู้อ๋อแข็งแรงเป็นอย่างนี้อดแอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทําให้มันแข็งแรงขึ้นไปต่อมา <c oughs> โยมที่ชอบนั่งสมาธิแสดงความเป็นห่วงมาออโยมที่ชอบนั่งสมาธิแสดงความเป็นห่วงมาครับอบอกว่างี้เมื่อคืนโยมฝันว่าเอฟเอ็มทีวีโดนเขาเล่นงาน เมื่อคืนโยมฝันว่าเอฟเอมทีวีโดนเขาเล่นงานตื่นขึ้นมาปวดหัวเลยปกติไม่เคยฝันถึงเลยแปลกจังบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายเป็นแน่แทะจากโยมที่ชอบนั่งสมาธิแสดงความเห็นเป็นห่วงมาครับอ๋อนั่งสมาธิมากเลยฝันมากไ้ฝันเป็นเรื่องอะไรอะไ้ไปเป็นตุเป็นตา อ่ามือกันสำนักหนึ่งนะบอกอ้าวเล่าอะไรไปเส็จแล้วอ้าวอ้าฝันเป็นตุเป็นตะเล่าเป็นตุเป็นตะฝันอะไรกันเขาฝันข้าวหนึ่งทีแล้วก็ฝันแล้วก็เล่าเป็นตุเป็นตะอะไรเงี่ยจำนวนเ้าจเอ้พูดยังไงชกคนจะมาฟังแล้วก็เล่าความฝันเราเล่าอล่าเธอเป็นตุเป็นตะอะไรอะไรกันก่อนเดี๋ยวเล่าหาวหนึ่งทีกันด้วยนะบรรยายธรรมะ ันก็ฟังกันสนุกสนานกันไปอ่าคนนั่งสมาธิก็จะมีมโนมยอัตตาอะไรไปต่างๆนาน า, นาก็เป็นได้นะสิ่งที่สังหรณลางที่สังหอณก็พอมีลางสังหอณเทพเทพสังหอณ์ตรงามันเป็นจงกันเข้าก็มีอการจะไปจริงจังนะักกับความฝันไม่ต้องเปจริงมากนะแม้แต่เรื่องที่มันไม่ใช่ฝันลรกเป็นเรื่องที่ ไอ้เกิดลึกๆแล้วปับจากที่พูดกันไปเนี่ยก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะขนาดที่เรามีสัมผัสอยู่จริงนี่ท่านยังไม่ให้ไปจริงจังกับมันอย่าไปให้ยึดมั่นถือมัน่นเพราะในเรื่องอย่างนั้นก็ยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิง่งโอ้ไปกันใหญ่เลยนะอ่ะต่อมาจากก็และเงิ น, น, นเด็กชายก็และใครเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาหลอครับนี่ก็หลออีกแล้วหอลอลงตัว อ, อ่าง หรือสิมาหอหีบรอเรือสะระอือออ่างมเอ๊ะทำไมสมุนพระรามนี่หลอกันทั้งนั้นเลยลวะครูสอนว่าหรือนี่คือเขียนว่าหล่อเหรอหรูภาษาไทยอ๋ยอฮีบรอลิงออ่างโอ้หลอเนี่มันแปลว่าฟันหลอฟันเนี่ยแข ว, ว่องเนี่ยเรียกว่าฟันหลอรู้จักแข ว, ว่องไหมอ่า ฟันหักโหวโหวโวโหเนี่ยมันไม่มีฟันเนี่ยตรงว่างๆเนี่ยก็เรียกว่าแข่วองอีสานเรียกว่าแขล ว, วองฟันหรอฟันหร่ออะอย่างเง้ยนะหลอหรือน่าเขียนให้ชัดใครเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาหรือครับผมอยากรู้ผมยังไม่รู้เลยว่าใครสร้างผมขึ้นมาครับเอ้าก็พ่อแม่ทีสร้างขึ้นมาว่าก็ไม่รู้ได้ยังไง อ่าเขามีอย่างนี้อ่าทางด้านศาสนาเทวานิยมนีเขาถือว่าพระเจ้าสร้าง <c oughs> เขาถือว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าโมดแล้วก็ก็ให้ให้ให้ให้พ่อแม่นี่ก็คือลูกพระเจ้ามาสร้างคือมาแบบนี้มาสร้างเป็นพ่อเป็นแม่สร้างลูกมาแบบนี้ที่อีกทีนึงแต่เกิดจากพระเจ้าเป็นผู้กําหนอดอีกด้วยแหละแม่พ่อแม่จะสร้างสร้างได้แต่โครงสร้างสร้างได้แต่จาก เรื่องสรีระสรีดพันได้แต่ศรีดพันไม่ใช่กรรมพันนะกรรมพันเป็นของใครของมันกรรมเองใครก็เป็นกรรมสกัดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระนของใครของมันกรรมกรรมพันเป็นของใครของมันแต่ศรีระที่เป็นของพ่อแม่นะก็พ่อแม่พาให้เราเกิดมาสร้างเราเกิดมาส่วนจิตวิญญาณของเรานั้นเทวนิยมบอกว่าพระเจ้าสร้างแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมของเราสร้าง เราทำชั่วทำดีเอาไว้ตั้งแต่ปางใดแล้วมันมาบวกลบคูณหานออกมาปางนี้แล้วก็มาเกิดได้นี่มันบวกลบคูณหานในเท่านี้เอาอันนี้มาใช้ก็ได้เป็นเราขึ้นมาจะมีทั้งวิบากกรรมมีทั้งรูปร่างหน้าตานี่แหละอีกด้านหนึ่งส่วนด้านร่างกายในะพ่อแม่เราอ่ามี DNA อมีโครโมโซมยังไงมันก็ออกมาอย่างนี้อ่าส่วนวิญญาณนของเราเอง เราสร้างดีสร้างชั่วมันจะบวกรบคุณหารก็เกิดเป็นเราในจิตวิญญาณเราสร้างการนะพ่อแมอ่ในปฏิจจสมุปบาทเวทนาเกิดก่อนตัณหาหรือตัณหาเกิดก่อนเวทนาครับเป็นปัจจัยแก่กันและกันสิ่งที่ติดกันนี้เป็นปัจจัยแลกันอวิชชาก็สังขารสัขงขารเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาวิชาเกิดกระสังขารเป็นปัจจัยกัน สังขารเกิดวิญญาณวิญญาณนี่เกิดสังขารสังขารนี่เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดอะไรกันวิญญาณนี่เกิดนามลูกนามลูกมันเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยกันนามลูกให้เกิดอายตนะอายตนะให้เกิดนามลูกนามลูกเกิดเป็นปัจจัยอายตนะผัสสะเหมือนกันมันก็กลับเป็นปัจจัยใจกันอะไรกันกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นเวทนากระตันหาก็กลับไปกลับมาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตระหัตระหัสเป็นปัจจัยเกิดเวทนาสลับไปสลับมาอ่า เขาก็เดียนเขาก็ทำวามเข้าใจไปก็จะก็ค่อยรู้นะจากห้าสี่สี่เจ็ดทำอย่างไรจะชนะใจตนเองและทำอย่างไรจะไม่ทุกข์ใจครับโอ้โหถามหมดเลยในศาสนาพุทธศานะ ส, สนาพุทธนี่ชนะใจตนเองและก็ใจไม่ทุกข์หยุดทุกข์เลยดับทุกข์สนิทนะทำไม ก็กราบแล้วไงฮะฮะอ๋อจะกราบแล้วเหรอแล้วชนะใจตนเองก็ดีหรือว่าจะหมดทุกข์ก็ดีจะทำอย่างไรต้องเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้านี่จะได้จริงๆเลยชนะใจตนเองจริงๆแล้วก็จะหมดทุกข์จริงๆด้วย อ, อตอบสั้นๆอย่างนี้กันเลยกันาจากเด็กชายเพชรแสกทำอีกทําไมในยุคพุทธกาลเมือ่อกุเมื่อกุลบุตรได้มาบวชในาศาสนาพุทธแล้วทําไมถึงหลุดพ้นจากการมีวันณะครับอ๋อเออคนที่กุลบุตรต่างๆมาบวชในาศาสนาพุทธแล้วที่อธิบายไปเมื่อกี้ปลดวันณะปลดความเป็นทาสหลุด ใช้คำว่าหลุดพ้นจากการมีวันละหลุดพ้นจากแต่ก่อนมีวัรละทาตวันณะสูตรแทย์วันละจำทานวันละอะไรก็แล้วแต่วันณะพรามวันณะกษัตริย์ของเขาเป็นวันณะหมดลบลบวันณะทั้งหมดก็เพราะว่าได้อิสระหมดจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียเขาในยุคโน้นของพระพุทธเจ้ายุคนี้เนี่ย อิสระเสรีภาพมันมีอยู่มากกว่าสมัยโบราณแล้วไม่ต้องมาบวชก็มีอิสระเสรีภาพต่างมากแล้วเดี๋ยวเนี้ยไม่เหมือนยุคสมัยโบราณสมัยพระเจ้าเป็นยุคทาสจริงๆเลยแล้วก็เป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีสิทธิอะไรมากมายเลยแล้วก็รับรับยอมรับกันอย่างนั้นเป็นว่นาท่นธราทอย่างนั้นเขาก็อยู่กันอยงนั้นแต่สมัยนี้ไม่ยอมกันแล้วสมัยนี้โอ้โหอิสระเสรีภาพมาก มากจนกระทั่งโอ้โหเฟอ้อจนกระทั่งเอาไปตีกันเอาไปอ้างกันอะไรต่างๆนานาพวกนี้อ่ะจำัยนี้อ่าตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเอาอีกเพชรแสงทมอีกแผ่นผมไม่ได้จะถามนะครับผมจะมารายงานอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ถามรายงานผพราะจะมารายงาน ร, รายงานลุงปู่ว่าขงไม้คําพูดเปิด ตอนนี้ไม่มีใครมาเล่นน้ําที่น้ําตกเลยครับเพราะน้ํามันเน่าเมื่อไหรจะเปลี่ยนน้ําสักทีครับอ๋อรายงานในว่าไม่ถามไม่ถามว่าเมื่อไหรจะเปลี่ยนน้าสักทีเออไม่รู้ตัวว่าถามถามว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนน้าสักทีหลวปู่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนน้าเน่าเหรอเออไม่ได้เด้อหปู่ตอนนี้ไม่ได้ออกมาข้างนอกเท่าไรเลยเขียนหนังสืออยู่โอโหเร่งเขียนหนังสือให้มันทันเดี๋ยวไม่มี พิมออกตุลาคมนี่ต้องพิม์ออกไปแจกท็อมีรอดด้วยเหรอโอ้มีอะไรแต่ <c oughs> อา้าว อ, อดูแลหน่อยแม้เฮอตอนแรกๆตอนหลังๆในปัยเนี่ของดีๆไปดูเชื่อกันดูเชื่อกันบ้างนะจริงๆก็เชื่อกันดูได้นะใครๆที่พอดู อ, อย่างไทยเทิดธรรมก็ช่วยได้หรือใครหลายๆคนดูได้พวกเราช่วยกันดูแม้สมณะจะช่วยกันดูบ้างก็ได้น้ำท่าอะไรพวกนี้บางทีแต่บางจากบางอันก็ไม่ควรสำหรับพระสำหรับภิกษุก็ให้คารวะเขาทำกันซะน่าช่วยกันดูแลบ้างของดีๆทำมาดีๆแล้วแห ม, มไปล่อยให้ปล่อยปลยละเละต่อมาจากพลเรือเ ร, อเรอตรีมินปลายวันนี้กับผมได้ไปส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถณโรงพยาบาลสิริราชทั้งสองพระองค์แปรพระราชฐานไปประทับแรมณพระราชวังไกลกังวลอำเภอห้วหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิงย่งยืนนานเถิดโดยกล่าวโดยกระหม่อมขอเดชะ้าราย ง, งานมาอ้าวอนุโมทนาสาธุมีไปกันเยอะโอ้โหประชากรครับข้าง น่าไปกันจะมาดูข่าวอยู่ทางโทรทัศน์ทางนี้ดูโอ้าวก็ น, นี่แหละประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งก็ได้อยู่เย็นศิระเพราะพระบริบาลจริงๆนเย็นหัวเย็นกล้าศิระคือเสียนคือหัวเราเย็นหัวเย็นกล้าเพราะพระบริบาลพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงบริบาลทรงอภิบาลพวกเรานาพระองค์ จริงๆเลยนะคนที่เขาช่างกระไรเลยนะเนี่พยายามจะลบหลู่พยายามจะล้มล้างพยายามจะอะไระอะไรนี่ก็ช่างกอะไรแต่มันห้ามไม่ได้ละคนก็มีจิตแบบนั้นก็มีจิตแบบนั้นก็น่าสงสารเขาที่เขาไม่รู้จักคุณค่าลบหลู่คุณค่าเรียกว่าเป็นคนไม่มีปัญญาหรืออักตันยูไม่รู้คุณคนไม่รู้จักคนไม่รู้จกคุณค่าของคนอ่าก็เป็นเรื่องของคนอ่ผู้ที่รู้เขาก็เป็นจริง คนไม่รู้เขาก็เป็นจริงเหมือนกันเป็นจริงอย่างไม่รู้ก็อย่างนั้นแหละก็ไปเป็นไปจนสุดท้ายมันก็ไม่รู้จักอะไรออัตมาก็ว่าเมืองไทยยังดีขนาดเมืองนอกเขาก็ายังรู้ยังเห็นนะคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐของในหลวงยกย่องเชิดชูทั่วโลกนี่ไม่ใช่พูดอ้างเอ ง, เอ ง, เองนะไม่พูดและท่านก็ไม่ได้ไปโฆษณาท่านก็ไม่ได้ไปพยายามอะไรแต่มันเป็นจริงในโลกทุกวันนี้ยิ่งโลกสมัยนี้มัน สื่อสารมวลชนสารสนเทศมันทะลุกันหมดแล้วมันเป็นโลกโลกาภิวัตน์ใช่ไหมโกลบอลไลเซชันไม่มีอะไรกั้นครับเพราะอีสานราวลาวราวเขาแปลโกลบอลไลเซชันว่าฟาบอกกันมันไม่มีอะไรกั้นกันและวเขาแปลว่าฟ้าบอกกันว่าโหโรแมนติกจังเลยเนาะเขาแปลโกลบอไลเซชันว่าฟาบอกกันไม่มีกั้นอะไรแลยขวางมันทะลุทะลวงต่อถึงกันหมดเลย สื่อสารสนเทศทุกวันนี้มองว่ามันรู้กันทั่วหมดเลยอะไรใครเป็นยังไงใครทําดีทําชั่วใครทําสมคนรยอ่ยอกยอ่อมไปสมควรย่อกย่อมมันไม่ต้องโฆษณามันก็กินบ้างไม่ได้นะไม่เชื่อเดี๋ยวนี้นะคุณไปกดดูที่กูสิ Google ากรู้อะไรถามมันบอกหมดโอ้ยไม่หมดหรอกแต่ว่ามันมากเหลือเกินมากจนต้องยกให้จริงๆเลยเน่าเอา้า ดีละนาอนุโมทนาด้วยต่อมาอะไรนี่ซอยวัเชรพลที่กรทมรับภาพไม่ได้ครับโอ้อฟ้องมาซอยวัเชรพลต้องไปดูซิมันมีอะไรมียักษ์อะไรอยู่ที่ซอยบรุนวัชรพลมียักษ์ไปควงกระแสอะไรต้านเอาไว้มันถึงรับไม่ได้ที่ซอยวัดเทรพลอ้าวทางเทคนิคเขาตอบตอบทานกันดูจากสองหนึ่งห้าแปด รูปนามอ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมครับอ่านหนังสือคนคืออะไรทำไมสําคัญนักน่าเรียนรูปนามน้องนั้นก็อ่านได้หนังสือตอมาก็จะพูดทั้งรูปนามเกือบทุกเล่มแหละยิ่งเขียนใหม่ๆนี้อยอธิบายอธิบายละเอียดเยเกิดใ น, นรูปนามไปติดต่อที่ธรรมธรรมทัศลารานธรรมทัศสมาคมที่ซอย48ถ น, นนนวมินนเชิญ ไปติดต่อดูหนังสือหนังหาต่างๆจะเยอะจากนนทบุรีขอพระท่านอธิบายคําว่าจิตวิญญาณให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะอ่านะต้องฟังดูจิตวิญญาณจะอธิบายง่ายๆก็คือในตัวคุณเนี่ยมันมีร่างกายกัดมันมีความรู้สึกมันมีตัวจิตเรียกว่าจิตใจหรือจิตวิญญาณเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าวิญญาณก็ได้เรียกวิจิตเรียกว่ามโนอ่า อยู่พร้อมกันในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเมื่อมันกระทบอะไรหรือมันนึกคิดอะไรเองอยู่ในใจแล้วมันรู้อะไรขึ้นมาอาการอย่างนั้นแหละเราเรียกว่าจิตวิญญาณแต่จะให้ชัดขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าสอนคาว่าวิญญาณโดยเฉพาะพยัญชนะวิญญาณเลยจะรู้ได้ชัดต้องเรียนรู้เมื่อมีผัสสะมีตากระทบรูป วิญญาณมันจะเกิดมาให้รู้นี่คือวิญญาณถามว่าคืออะไรไปหัดตัทุกวันนี้ตาคุณก็กระทบรูปหู ก, กระทบเสียงจมูกกระทบลิ้นกระทบรสกายสัมผัสนี่เรียกว่ามันชัดๆตัวง่ายๆพอกระทบแล้วมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเรียกว่าวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณรวมคําว่าวิญญาณมันจะประกอบไปได้วยเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกสาม เจตสิกสามนี่แหละเราเรียกว่ากายโยเรียกว่าองค์ประชุมของนามธรรมถ้ากระทบอยู่เราเรียกว่ารูปประกายถ้ามาเป็นกายในกายแล้วลึกเข้าไปก็เรียกว่านามกายเข้าไปข้างในห่างจากรูปข้างนอกห่างจากวัตถุข้างนอกไปเรื่อยเรื่อยเราก็เรียกว่านามกายคือเป็นตัวนามธรรมเลยเรียกว่าวิญญาณเลย วิญญาณเมื่สารเรียก ร, มรวมๆแล้วว่าก็ฟังอัตมาจะอธิบายวิญญาณนี่ลึกละเอียดก็ไปนี่เมื่วันนี้นี่เอามาอ่านถู่ฟังนี่มันจะลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงว่าอธิบายวิญญาณให้รู้ว่าทําไมวิญญาณร่องรอยพระพุทธเจ้าถึงบริภาษวิญญาณมันไม่ร่องรอยวิญญาณนี่ไม่ล่องรอยวิญญาณอยู่กับตัวคน อธิบายคราวๆก็ได้ตอนนี้วิญญาณนี่เกิดเมื่อกระทบสัมผัสก็จะเกิดอาการนั้นซึ่งจะมีโมบทของเจตสิกสามเวทนาสัญญาสังขารเกิดพร้อมเกิดทํางานแทนเป็นตัวต้องไปอ่านคนคืออะไรจะรู้ว่าวิญญาณนี่คือมีเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละมันก็เกิดเมื่อเวลามีสัมผัสถ้าไม่มีสัมผัสมันไม่เกิด สองตายลงวิญญาณมันก็มีแต่มันไม่ล่องรอยเพราะฉั้เห็นวิญญาณไม่ได้มีคุณคนเดียวอยู่กับมันเพราะวิญญาณของคุณคนเห็นไม่ได้แล้วมันจะล่องรอยอะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นของคุณอยู่กับตัวเองในภพอของคุณเท่านั้นเองมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์ก็อยู่ของคุณมันมีเวทนาสาของคุณอย่างนั้นจึงเรียกว่าถ้าจะรู้วิญญาณนั้นรู้ได้ด้วยสัญญา รู้ได้ด้วยสัญญารู้ได้ด้วยการกําหนดรู้มันเป็นอารูปแล้วมันไม่ใช่มีดินน้ำไฟลมแล้วมันไม่มีตาหูจมูกดินกายแล้วจะบอกว่ามันร่องรอยขณะที่เป็นๆ น, นี่วิญญาณล่องรอยก็ไม่มีมันอยู่กับเราตายไปแล้วมันก็ไปกับเราแล้วมันก็ไม่ออกไปจากเราไปล่องรอยไปไหนก็ไม่มีนี่คือคําว่าวิญญาณล่องรอยไม่มี เพราะนั้นใคไปเห็นวิญญาณนั้นวิญญาณนี้ล่องลอยนอกรีดศาสนาพุทธเห็นวิญญาณโน้นวิญญาณนี้เห็นวิญญาณผีวิญญาณสันนิชย์ต่างๆอื่นๆนอกรีดจะเห็นได้บ้างไหมเห็นได้แต่ไม่ต้องพูดพูดที่เห็นจริงนั้นคือผููที่มีจริงที่เขาจะไม่พูดเพราะมันเป็น วิสัยที่เกินมนุษย์สามัญที่จะรู้ง่ายๆส่วนที่เห็นไม่จริงนะั้นเยอะท่านจึงไม่ให้พูดเพราะพูดออกมาแล้วมันจะหลงว่าเห็นดังที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกมาว่าตัวเองเห็นนั่นแหละส่วนมากมันเป็นอุปท า, านซเยอะเลยตรงมั่งไม่ตรงมั่งมันฟุกฟุกไปตรงมั่งก็มีนะ แต่ไม่ตรงน่ะเยอะเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันถ้ามันจะเห็นมันก็เป็นกำไรของผู้ที่มีบารมีถึงอีบารมีถึงและผู้ที่มีภูมิธรรมมีบารมีถึงนี่ท่านจะรู้เลยว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดเพราะคนที่พูดว่ามีเนี่ยเห็นเนี่ยคนนั้นไม่ถึงถ้าคนถึงน่าจะไม่มาส่งเสริมให้พูดไม่ใช่อาตมาไม่รู้ไม่ใช่อาตมาไม่มีแต่อาตมาไม่ส่งเสริม ซึ่งไม่ใช่วิชาที่จะต้องไปเพ่งถึงถึงถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงขนาดถึงเวลาอันนี้มันมีเองมันเกิดถึงรอบถึงความเป็นมันเป็นได้เองอ้าวใบสุดท้ายน้องมหนึ่งฝ่ายหญิงขณะที่กิเลสทํางานเนี่ยในเด็กมหนึ่งของที่นี่นะนี่ถามขณะที่กิเลสทํางานคือขณะที่อยู่ในนรกใช่ไหมคะนัน่นนันอ่าตอบดูสิอ้าว ลองดูใครจะตอบยกมือขนะที่กิเลสทำงานคือขนาดที่อยู่ในนรกใช่ไหมใครจะตอบอ้าวยกมือใช่ไม่ใช่ใชตอบง่ายงอ้าวยกใครจะตอบวะใช่ไหมขนาดที่กิเลสทำงานคือขนาดนั้นนรกใช่ไหมอ่าใช่ครับเออพวกเรานี่เข้าใจแม่เด็กๆเล็กๆ ก, ก, ก็เรียนรู้ได้ กิเลนนี่คือตัวผีกิเลนนี่คือสัตว์นรกขณะมันทํางานมันก็ออกบทบาทเลยมันก็นั่นแหลมันกำลังทํางานมันกําลังมีบทบาทอยู่ในโลกถ้ามันไม่ทํางานกิเลมันนอนนิ่งอยู่ในก้นบึงของจิตเราเรียกว่ามันนอนหลับกิเลมันพักยกก็เลยเรียกว่ามันอยู่ในใต้อนุสัยอยู่ในก้นบึงของจิตในวรรณะโกไอ้อนุสัยถ้ามันออกมาทํางานปั๊บมันเป็นตันหา มันเป็นกิเลสที่มันมีลีลาที่หลวงปู่อธิบายมันเป็นคลาติกเอเนจีมันเป็นตัวบทบาทของพลังงานที่เคลื่อนไหวเป็นพลังงานจาระน ะ, ะถ้ามันไม่มันหลับไปก็เป็นพลังงานจนเออไม่ใช่ปฏิกย า, ยาจารณนะพลังงานศักมันก็ทําลิ่มไม่กระดุกกระดิกแต่ไม่กระดุกกระดิกนะกระดุกกระดิกข้างในนะเป็นอาสวะแตกตัวอยู่นั้น อาวจบรายการวันนี้เลยเวลาเข้าไปแล้วนิดนิดนาสำหรับวันนี้จเจริญธรรม